พระพุทธเจ้าครั้งสมัยบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นสัตว์แทบทุกประเภทนะและพวกพวกเราอ่ะ ยังเชื่อใจตัวเองอยู่เหรอยังเชื่อใจตัวเองอยู่เหรอว่าจะให้ทรงอยู่ในเมืองมนุษย์ตลอดไปอย่าไปบำรงบำเรอเขามากรู้จักรู้จักคำว่าสมถะไหมรู้จักว่าคำว่าสัพยาไหม อยู่อย่างสมถะอยู่อย่างสัพเยะอยู่อย่างพอเพียงเขาร่างกายอันเนี้ย เขาดีขนาดไหนเขาก็ต้องเดินไปเส้นทางที่เขาจะเดินนี่แหละคือเกิดแล้วต้องแก่ต้องเก็บ ต, ต้องตายเขาไม่ได้ฟังใครทั้งนั้นผู้เป็นเจ้าของจะพอใจหรือไม่พอใจเขาไม่รู้เขาต้องเดินไปตรงเนี้ยต่อให้ให้อาหาร ระดับพัฒนาการระดับไหนก็ช่างเถอะวิตามินสูงสุดไม่ว่าจะเป็นวิตามินอะไรให้เขาเขาก็ไม่ได้ฟังเนะเรา ต, เต้องเกียร์ต้องเก็บต้องตายไปเนี้ยต่อให้พวกคุณให้เขานอนอยู่ในห้องแอร์อย่างสบายตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเขาก็จะไปเกียร์ไปเก็บ ไ, ไปตายนี่แหละ เขาไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอันนี้พระพุทธเจ้าเรีว่าสัจธรรมสัจธรรมคือธรรมประจมธรรมอันเป็นความจริงประจําโลกสัจธรรมเป็นภาษาเป็นรูปแบบไม่มีภาษาเป็นรูปแบบ ติดตัวของเราอยู่ไม่มีภาษาเจตเป็นภาษาธรรมอยู่ในเนื้อนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเกิดแจ็เก็บตายเบียนไหวตายเกิดพระเอกอยู่ในสองเรื่องนี้ก็คือจิตใจจิตใจแสดงในการเกิดแจ็เก็บตายแล้วก็มาแสดงเบียนไหวตายเกิด ใจิตใจนี่เป็นพระเอกแสดงตลอดตลอดตลอดเพราะฉะนั้นจิตตัวเนี้จะทำยังไงความรู้สึกแล้วหลับตาหลับตา ก่อนหลับให้มองหลวงปู่ ม, มั่นที่นั่งอยู่เนี่ยมองชัดๆแล้วก็หลับตามองชัดๆก่อนนะถ้าใครตอบไม่ได้ไล่ออกจากห้องสอบนะอ่าหลับตา หลับตาแล้วกําหนดให้ตัวเองเดินออกไปกราบสามครั้งที่หน้าหลวงปู่มั่นนั่งอยู่กําหนดเดินออกไปเลยนะกําหนดเดินออกไปแล้วก็ไปนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบลงสามครั้งเสร็จแล้วเข้ามา เสร็จแล้วเข้ามานั่งอยู่ในกายของตัวเองแล้วกำหนดให้เป็นหนึ่งอยู่สักหนึ่งนาที ้เป็นความรู้สึกอยู่ในกายนะจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ฐานที่ตั้งสวงอกตรงที่ลิ้นปีกก็ได้คนที่เดินออกมากราบเนี่ยกลับไปเขามันนั่งอยู่ที่ลิ้นปีของเรานี่แหละ เด้วยนะว่าไม่มีอารมณ์เจือปนแล้วก็รู้ด้วยว่าเขาอยู่ตรงนี้หนึ่งนาที ทำอธิบายในความคนที่เดินออกไปคือใคร <c oughs> คนที่เดินออกไปกราบคือใคร <c oughs> ใครเป็นคนส่งเขาไป คนที่เดินออกไปนั่นคือใครใครเป็นคนส่งเขาไปเหตุชน้นี่เองมันทั้งภาวนาไม่ไปในกันวิชาโลก บรรเทาทุกได้นะแต่แก้ทุกไม่ได้บุญเกิดจากการให้ทานบรรเทาทุกได้แต่รักษาเชื้อโรคทางใจให้หายขาดไม่ได้การภาวนานี่แหละจะเป็นยารักษาให้หายขาดการภาวนานี่แหละ จะทำให้จิตดวงนี้เข้าสู่โลกของความเป็นจริง <c oughs> สติเป็นคนส่งเขาไปถ้าไม่มีสติเราจะรู้ไม่ได้เลยว่าเราเดินออกไป เขาคิดถึงคนใดคนหนึ่งแต่ละวันผู้เป็นเจ้าของไม่รู้เรื่องเคยมีไหมเขาคิดดื้อเปื่อยบ้าไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรบางเรื่องอะไรบ้างนี่คือไม่ได้ประกอบด้วยสติถ้ามีสติกํากับอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นภาพออกมาทั้งนั้น อย่างเช่นเดินไปเมื่อกี้เนี่ยคุณลองนึกดูว่าคนมีคนคนหนึ่งไปอยู่อเมริกาถ้าเขากลับมาเมืองไทยแล้วเขามาเล่าเรื่องอเมริกาให้เราฟังเราตั้งใจฟังนี้จะเป็นภาพออกไปเลยนะเป็นไหมแต่ถ้าพระอรหันต์ฟัง เป็นภาพจริงออกไปเลยนะแต่ของพวกเราฟังมันจะเป็นภาพนึกคิดออกไปเพียงแต่ว่าสติควบคุมอยู่ถ้าสติไม่ควบคุมจะไม่มีภาพเกิดขึ้นมาเลยสติเป็นตัวสำคัญที่สุดสำหรับนักปฏิบัติธรรม ถ้าสติตัวเนี้ยาพระพุทธเจ้าเลยว่าสติคือความระลึกเอาความระลึกไปก่อนสัมปชัญญะคุยกันทีหลังเหตุใดควรถึง ตื่นตนะไม่ใช่ตื่นตระนกตกใจเป็นบางอย่างอย่างเช่นที่เราได้ยินเสียงอะไรตุ้มขึ้นมาแล้วแบบตกใจอ่ะใจสั่นขวัญหายอ่ะสติไม่มีพลังสติมีพลังนี้ก็จะคบุคบคุ่ควบคุมอาการเหล่านี้ได้หมดนะ เขาจะทันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะฉะนั้นพะระอรหันต์กับคนธรรมดาตกใจนี้จะผิดกันมากพะาระอรหันต์นี้จะมีอาการยิบยับขึ้นมาแล้วก็หายพับไปเลยไม่มีก็ว่าโอ้พุธทธทตายตๆตไม่มีนะ ไม่มีของท่านจะยิบยับขึ้นมาที่นี่เดี๋ยวหายไปเลยพวกเรานี่โอ้ตัวสันขวัญหายตะกกนนี่คือสติสติตัวเนี้ยพวกคุณต้องระลึกอยู่เรื่อยๆที่นี้จิตจิตอยู่ที่ไหนจิตคือผู้รู้ ตัวรู้ผู้รู้เขาจะมีหน้าที่เสพอารมณ์เขาจะไม่มีหน้าที่รู้จักบาปรู้จักบุญมีหน้าที่เสพอย่างเดียวเขาจะไม่รู้จักบาปบุญรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูก <c oughs> ถ้าเราละลึกสติเข้าไปบวกกับจิต จะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วออกมาทันทีเลยจะรู้ผิดรู้ถูกทันทีเลยเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยเขาเป็นธาตุรู้ธาตุสี่ก็คือร่างกายอย่างที่ห้ามาเกาะติดอยู่ก็คือจิตจิตวิญญาณจิตใจเขาก็พูดแต่ตัวนี้เป็นธาตุรู้ มีหน้าที่รู้ไปรู้ไปรู้ไปแต่ถ้าถ้าสติเข้าไปบวกกันปุ๊บเนี่ยจะรู้ผิดรู้ถูกทันทีเลยทีเนี้ยเราจะกําหนดมาไว้ที่ฐานสติกับจิตนี้ก็ต้องระลึกเขาไปบวกกันเสียก่อนให้เป็นความรู้สึกถึงเอามาตั้งไว้ที่ฐานรู้อยู่รู้อยู่ อเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาใหม่รับตาใหม่ ส่งไปที่บ้านของตัวเองส่งไปเลยขับรถไปจอดที่หน้าบ้านเลยเปิดประตูบ้านเอารถเข้าจอดในที่จอดรถแล้วขึ้นบ้านไปเลยอะไรที่เรามีอยู่ในบ้านมันจะเห็นหมด อันนี้คือสติบวกกับจิตถ้าไปไม่มีสติจะไม่มีภาพออกมาเลยพอเข้าใจไหมที่นี้ส่วนสำคัญมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่า ระยะเขาออาไปเสพอารมณ์เนี่ยเขาไม่ได้มีช่องว่างในการที่จะไม่คิดเลยเขาคิดอยู่ทุกวินาทีทําไมภาพไม่เกิดทําไมภาพไม่เกิดขาดสติขาดสติถ้าเราอยากรู้เราต้องกาหนดตั้งสติให้แน่นหนาแล้วก็ส่งตามไป มากเขาเขาคุยเรื่องอะไรกับใครอยู่ที่ไหนจะเห็นเป็นภาพออกมาเลยแต่ถ้าเราอยู่กับเขานานๆเขาจะหยุดนะเขาจะหยุด ตรงนี้ก็เช็คได้เหมือนกันว่าจิตของเรามีพลังหรือไม่มีพลังถ้าเขาเสียบอารมณ์ฟุง้งฟุ้งุ้งฟุงฟ้งฟุ้งอยู่เราใช้สติตั้งสติปึ๊กยิงเข้าไปรับทราบรับรู้ว่าขเขากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เขาจะหยุดพักแต่ถ้าเราเผยเขาไปพักถ้าเราเข้าไปรู้ปุ๊บเขาไม่หยุดเขายิงหมุน เรื่อยๆเรื่อยๆนี่แสดงว่าพลังจิตของคนคนนั้นไม่ใช่ธรรมดายิ่งรู้ยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งรู้ถามวาเสียไหมหลักการหลักการนี้ก็ใช้ในหลักของการภาวนาเหมือนกันยิ่งรู้ยิ่งชัดยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งรู้แต่แค่จิตไม่มีพลังนี้เข้าไปรู้รับทราบเขาเท่านั้นเขาหยุดทุกเลยหยุดพับเลย ในลักษณะสติกับจิตสติกับจิตสมมติว่าพวกคุณส่งกระแสของสตินี่ตามรู้ไปเห็นเขาเสพอารมณ์อยู่ภาคอีสานใช้สติเนี่ยดับอารมณ์ทันทีแล้วใช้สติเนี่ยบังคับจิตให้ทวนกระแสเข้ามาหากาย นักปฏิบัติที่นักปฏิบัติตัวฉกาศจะเป็นนักตัดอารมณ์จะเป็นนักดับอารมณ์จะเป็นนักทวนกระแสที่ไม่ได้วันใหม่อะไรเลยแต่ถ้าเรายังเออออยู่กับการพิจารณาอารมณ์พิจารณาแต่ละเรื่อง อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ช้าช้ามากรู้จากสติกับจิตแล้วใช่ไหมสติก็เป็นาธาตุรู้จิตก็เป็นาธาตุรู้สตินี่คือตัวระลึกสตินี้เขามีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่า จิตเนี่ยเขาไม่มีภาษาพูดภาษาจิตคือภาษานึกคิดเขาเรียกภาษาจิตภาษานึกคิดทีนี้สติ <c oughs> สตินี้จะได้ยินถ้าเราตั้งสติดีๆจะได้ยินจิตคิ ด, คด จะรู้ภาษาจิตเขาคุยอะไรกับใครเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนสติตัวนี้สามารถที่จะรับทราบหมดได้ยินด้วยเห็นด้วยทีนี้สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือสติตัวนี้ตัวเดียวน่ะมีสติตัวเดียวเท่านั้นความพิเศษของเขาคือสมมติว่าเราระลึกความรู้สึกมาไว้ตรงเนี้ยสติบวกกับกิจมาตั้งไว้ตรงนี้สติตัวเนี้ยเขาจะรับผิดชอบทั้งข้างในแลว้วก็ข้างนอกได้อย่างสบาย พราะพร้อมกันเลยอย่างเช่นคุณขับรถตามถนนไปตาเนื้อของคุณก็มองการแสงการสวนตาในของคุณก็อยู่กับความรู้สึกสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะทำงานสองกเพราะฉะนั้นเราเอามาฝากพวกคุณให้พวกคุณดึงเข้ามาแล้วทำเป็นความรู้สึกอยู่แล้วก็ ทำงานกิจวัตรประจำวันไปด้วยเดี๋ยวนี้พวกคุณทำงานกิจวัตดประจำวันไปจิตใจออกไปเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกอย่างสบายเลยพวกคุณไม่ได้คิดเห็นผลเสียของมันเลยเหรอเราว่าฝึกกำหนดอยู่ที่ฐานแล้วก็ทำงานกิจวัตรประจำวันไปด้วยประโยชน์ มหาศาลทำให้ตัวเองเป็นผู้ใกล้ความเป็นสมาธิเข้าไปเรื่อยๆทำให้ตัวเองเป็นผู้ภาวนาอยู่ทุกวินาทีโดยที่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยโดยที่ไม่ได้เดินจงกรมเลยดินาทีที่วิธีการที่เราหามาให้พวกคุณเนี่ย ถ้าพวกคุณทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอีกนะบริกรรมพุทโธไม่ใช่ง่ายอย่างนี้นะใช้เวลา น, านานเป็นสิบสิบปีดีไม่ดีเข้าไม่ถูกทางเสียกู่เสียคนไปเลยอันเนี้ยพวกคุณไม่ได้พิจารณาเลยเหรอว่าพวกคุณ ท, ทั้งทำงานประจำวัน กิจออกไปเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกเสียประโยชน์ทีนี้เราฝึกให้พวกคุณมาทำเป็นความรู้สึกจะพูดจะคุยจะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดอยู่กับใครกี่คนกี่คนไม่สำคัญทำงานอะไรอยู่ที่ไหนไม่สำคัญไม่สำคัญความเป็นธรรมชาติ ของจิตกับอารมณ์บอกไปแล้วไม่ใช่ว่าคุณมาโกรธมาเกลียดมาโลภมาหลงอยู่ในชาตินี้ชาติเดียวมันเป็นมาหลายกับหลายกันนี้คือธรรมชาติเราควรจะใช้สติเข้าไปกำหนดว่าพอแล้วนะอันนี้เป็นมรดกโลกที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครใครใช้ แต่พวกเขาก็ยังใช้กันอยู่เอะใจสักหน่อยหนึ่งเข้าไปหยุดสักหน่อยหนึ่งวิธีการที่เราให้พวกคุณทำเป็นวิธีการที่รู้อยู่รู้อยู่พวกคุณคิดปล่อยให้เขาเสียบอารมณ์แต่ละวันผลเสียเยอะกรรมที่เราไม่นึกไม่ถึงว่ามันจะมาหาเราจิตไปสร้างไว้แล้วโดยที่เราไม่มีสติกากับ ยังไม่ถึงระดับความเป็นสมาธิอย่าลืมว่าเขารามมกจกกระเปิดมากนะจะบอกไงเขารามมกจกกระเปรดมากนั้นคือตัวกรรมนั้นคือตัวกรรมเพราะเรายอมนั่นเหรอจะไม่แก้ไขกันเลยเหรอ ตัดกระแสเนี่ยคือเรื่องที่เขากําลังเสียบอยู่นั้นน่ะสามารถที่จะดับปุ๊บลงไปไม่ต่อเข้าใจครับว่าไม่ต่อไหมถ้าเราฟุ้งฟุ้งฟุ้งอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมุติว่าเราไปทันปุ๊บเราไม่ต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็จบลงเลยนึกไปไหมน้อ สมมุติว่าเราทันเขาปุ๊บให้กําลังคิดเรื่องนี้อยู่เป็นเรื่องที่ไม่พอใจแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมนะนี่เราไม่ต่อกําหนดกําหนดไม่ต่อให้เป็นเรื่องต่อไปอะ่ะเขาก็จะหดตัวปุ๊บลงไปเลยถ้าเรายังต่ออยู่เขาก็ยังฟุ้งพุงพ้งฟุ้งอยู่นะจนกว่าตัวนี้จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวล ง, วลงแล้วก็หลุดไป สักพักหนึ่งเข้ามาสักพักหนึ่งก็ออกไปสักพักหนึ่งเข้ามาออกไปกว่าจะออกไปได้เป็นวันๆใช้เวลานานอยู่นะทีเดียการดับอารมณ์คือการไม่ต่อให้เป็นเรื่องต่อไปพอเข้าใจไหมดูหน้าแนละ้วค้าจะไม่เข้าใจ นี้บอกถ้าเราต่อเขาก็หมุนกันใหญ่นะสามพันรอบต่อนาทีถ้าเราเริ่มฝืนมันก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจนหยุดเอ้ของเรานี่เห็นชั ด, ชดเลยนะ่ะถ้าเรื่องมันกำลังฟุงฟ้งๆุ้งฟุ้งุงกันมานี่เราไปทันปุ๊บออเ อ, เอไม่ให้ ไม่ให้ไม่ให้เลยคือดับปุบเลยดับแล้วก็หดตัวลงหดตัวลงเลยอันนี้พูดถึงอารมณ์กับจิตที่กาลังต่อสู้กันที่ดึงมาที่ฐานดึงมาปุ๊บแล้วเขาก็อยากออกไป่องมาปุ๊บเขาก็อยากออกไปโดยธรรมชาติคล่องตัวของเขา เกียร์ทกลายเป็นบทธรรมดาถือว่าตรงนี้คืองานของระดัพระนิพานดึงเข้ามาแล้วออกไปดึงเข้ามาแล้วออกไปถ้าคุณขี้เกียจตรงนี้ผู้เทศไม่มีคําอธิบายแล้วตรงนี้คืองานคือสิ่งที่คุณจะทําไม่ได้หนักหนาะสาหาัสสาการอะไรเลยแต่คุณอ่อนแอท้อแท้กันเองว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ คือลงเพิ่งทําอะไรจะได้ขีดได้เขียนให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยนีนเปลี่ยนไปไม่ได้การปฏิบัติทางใจนี่มันเหมือนฝนทั้งให้เป็นเข็มเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่าได้ตั้งความหวังอะไรเลยรู้วิธีทําให้ทําอยู่ใช้สม่ําเสมอนั่นคือความจริงแต่ถ้าคุณตั้งความหวังอะไรไว้สักอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ย จิตใจตัวเนี้ไม่ไปตามความบังแล้วเขาจะเสื่อมศรัทธาเพราะฉะนั้นสติกับจิตบวกกันเป็นความรู้สึกถ้าเอาความรู้สึกดึงเข้ามาข้างในแล้วเขาจะเสพอารมณ์ใดไม่ได้ถ้าสติกับจิตยังบวกกันอยู่ถ้าออก นอกกายไม่ได้ไม่ถึงเซนเขาเป็นเรื่องคนอื่นสิ่งอื่นไปเลยถ้าจะให้เขาอยู่ตามธรรมชาติกับอารมณ์ข้างนอกเขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิเลยเขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิเลยจะนานขนาดไหนก็ไม่มีสิทธิ์ จะเกิดพบไหนชาติไหนก็ไม่มีสิทธิ์จิต ท, ที่จะเป็นสมาธิได้คือจิตถูกสติดึงเข้ามาอยู่ในกายเท่านั้นถ้าออกนอกกายไปปุ๊บเขาจะเป็นสมาธิไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอาจจะมาถึงให้พวกคุณดับอารมณ์ข้างนอกตัดกระแสท่วนกระแสเข้ามา ตั้งไว้ที่กายให้เป็นความรู้สึกอยู่ถ้ารู้สึกได้นานๆสมมติว่าคุณรู้สึกได้สักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั้นจะกลายไปเป็นพลังจิตทันทีสติตัวเนี้ย ถ้าลองเขาออกไปบ่อยๆดึงเข้ามาอยู่บ่อยๆ อ, ออกไปอยู่บ่อยๆดึงเข้ามาอยู่บ่อยๆสติตัวเนี้ยด้วยการดึงอยู่เรื่อยๆเลื่อลึกอยู่เรื่อยๆเขาจะพัฒนาตัวมาเป็นตัวควบคุมตัวควบคุมจิตได้อย่างดีที่สุดจะทำยังไง สติตัวนี้พัฒนาตัวไปเป็นตัวควบคุมจิตอ่ะจิตนี้คิดไม่ได้แล้วปอนตัวจากอารมณ์ออกข้างนอกก็ลําบากถูกตัดกระแสอยู่บ่อยๆสุดท้ายจิตตัวนี้ก็จะปอนตัวจากการเสกสมอารมณ์หดตัวเข้ามาตั้งอยู่ข้างในสติตัวดึงอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีพลัง ควบคุมรู้รู้รู้อยู่รู้อยู่ถ้าเป็นลักษณะนี้ระหว่างอารมณ์กับจิตไม่ได้เสพกันจิตถูกควบคุมเข้ามาอารมณ์ก็จะอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างในมีความรู้สึกอยู่จิตไม่มีสิทธิคิดไม่มีช่องที่จะเป็น โบให้จิตดวงนี้เสพอารมณ์โดยเด็ดขาดถ้ามีอารมณ์เจือปนเช็คทันทีเลยว่าออกออกแน่ถ้าอยู่กับความรู้สึกไม่มีสิทธิ์คิด <c oughs> ไม่มีสิทธิ์คิด <c oughs> เพียงแต่ว่าถ้าเขาอยู่สติก็แก่กล้าขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาจิตก็อ่อนตัวจากอารมณ์ หยุดมาอยู่ที่ฐานเป็นความรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ให้เราพ่อนพลังของสติดูแบบเบาๆดูแบบเบาๆถ้าเราใช้คาว่าควบคุมเนี่ยจิตมันจะไม่เป็นสมาธิไม่ได้รับความเป็นอิสระถ้ารู้สึกว่าจิตตัวเนี้ยพ่อน ครายจากการเสพอารมณ์มาเป็นหนึ่งอยู่ที่นี้ลดลดพลังของสติให้รู้แบบเบาๆรู้แบบเหมือนไม่รู้แต่รู้อา้าวเข้าใจไหมเนอะตรงนี้ก็สำคัญนะถ้าเพ่งอยู่ตลอดเขาจะไม่เป็นสมาธิเลย ดูเฉยๆสบายสบอ๋ออออออยู่อยู่ไม่ใช่หมูถ้าถ้าอย่างนี้เขาไม่ไปเนี่ยเขาเขาถูกบล็อกแลยคือพยายามเขียความตั้งใจออกไปอ่ะให้มันเป็นความรู้เบาๆรู้เฉยๆ สติตัวเนี้ยถ้าเราปรับลงมาได้ขนาดนี้จิตตัวเนี้ยเขาจะขาดจากอารมณ์โดยเด็ดขาดมาถึงตรงเนี้ยเขาเป็นหนึ่งแล้วเขาจะขาดจากอารมณ์โดยเด็ดขาดอาการของจิตขาดจากอารมณ์โดยเด็ดขาดรู้ได้ที่ไหน เขาไม่คิดอะไรเดยวันหนึ่งหนึ่งเขาจะไม่คิดอะไรเลยถ้าต้องการคิดได้เลยสั่งออกมาเลยอยากคิดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บดับพับเข้ามานี้เลยนี่คืออาการขาดจากอารมณ์สอง อาการทางร่างกายเหมือนจะเหาะจะเหินเลยขาดจากอารมณ์ถ้าปฏิบัติมาถึงตรงนี้เราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตกับอารมณ์นี้เป็นของหนักมากจิตขาดจากอารมณ์มาตรฐานนี้ mm. เขาจะเหาะจะลอยเลยนะ mm. เขาจะเหาะจะลอยเลย เดินยกเท้านี่แทบไม่รู้เรื่องนั่งอย่างนี้แทบไม่รู้เรื่องเลยเบาะหรือที่พิงนี่แทบไม่รู้เรื่องเลยล้วนั่งอยู่ที่เออเออเอเอยอยู่นี่พราะมันมันผิดแปลกจริงจริงอะนั่งในรถจะไม่รู้เรื่องเลยเหมือนมะเรงวันบินอยู่ในรถ เราก็ค่อยจบอยู่เลยเลยมันยังไงลักษณะจิตขาดจากอารมณ์ทีนี้ขาดจากอารมณ์ปุ๊บชั่วระยะหนึ่งเขาจะมานิ่งปุ๊เลยอนะจิตนิ่งนี่ไม่ใช่ธรรมดานะีจิตนิ่งนี้โยกตัวขนาดนี้ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าโยกตัวเลยนะ ตาเนื้อเห็นเห็นนี่น่ะเขาจะนิ่งลูกดิ่งนี่จะเอาตำแหน่งที่ถูกจุดจริงๆยังไม่เท่านิ่งปับ๊บโอ้จะขึ้นไปจะโยกย้ายซ้ายขวาหน้าหลังนี่ไม่รู้สึกเลยนิ่ง ขนาดโยกตัวขนาดที่ไม่รู้เรื่องเอาแต่ถิ่นตัวเองโยกอยู่อันนี้คือจิตเป็นหนึ่งขาดจากอารมณ์มานิ่งทีนี้สติอ่ะสติตัวเนี้จะแต่ก่อนควบคุมใช่ไหมเขาจะพลิกตัวพัฒนาตัวเข้าไปเป็นสัมปชัญญะทันที เออทันไหมน้องเขาจะพลิกตัวไปเป็นสัมปัชญะทันทีถ้าตัวนี้พลิกตัวเข้าไปอยู่ในตําแหน่งของสัมปัชญะคุณไม่ต้องกําหนดคุณไม่ต้องรู้ตัวเนี้ยส่งกระแสออกมาให้ผู้ปฏิบัติรู้อยู่ทุกวินาทีไม่มีวินาทีไหนไม่รู้ รู้อยู่ตลอดอันนี้ถึงจะเรียกว่าสัมปชัญญะไม่มีวินาทีไหนเผลอเดลวันพิเศษไหมทำได้ไหมนถ้าทำได้นี่วันนี้เราเอา สิ่งที่ดีๆมาให้พวกคุณนะพวกคุณจะเป็นเอาใกล้ๆตัวก็แล้วกันเนาะเป็นลูกที่ดีของดัชนการที่เก้าเราไหมถ้าจะเป็นสามโลกนี่ก็คือจะไกลเกิน ใกล้ๆตัวนี้อ้าสำนึกด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนดีของในหลวงราชการที่าด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบในหลักของศีลธรรมสติกลายไปเป็นสัมปชัญญะ สัมปชัญญะตัวนี้จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดจิตเขาจะไม่คิดเลยถึงคุณทรงกระเสียเขาออกไปหาญาติพี่น้องต่างจังหวัดแป๊บเดียวเท่านั้นเขามานี่เลยเขาไม่ตอบอไไนไม่ยอมเสฟอารมณ์ใดๆทั้งนั้น ไม่ยอมเสียบอารมณ์เราถึงไม่อยากให้พวกคุณนั่งสมาธิอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีท่านั่งสมาธินะรู้สึกอยู่กับจิตวัดประจํามันหรือว่าอยากนั่งเราไม่อยากให้นั่งเรากลัวนิมิต การรู้อยู่นี้คือการภาวนาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านั่งนี้เป็นท่าปร ะ, ประกอบกับคำว่าทำสมาธิเฉยๆนะนั่งในท่าทำสมาธิถึงแม้ว่าผู้มาเห็นเขาก็เขาก็จะว่าเรานั่งสมาธินะ่ะ ถ้าเราอยู่ในท่านี้นะ่ะแกถามว่าสมาธิเต็มร้อยคืออะไรจิตนั่งด้วยไหมถ้าจิตนั่งอยู่ข้างในด้วยเออท่าของสมาธิเต็มร้อยถ้าจิตไม่ได้นั่งด้วยจิตออกไปข้างนอกก็คือสมาธิตั้งแต่ร่างกายถามว่าได้ผลไหมไม่ใช่จุดเลยอันนี้ท่าประกอบ ถ้าของเรานั้นเต็มร้อยตัวเซนจิตขาดจากอารมณ์สติเป็นสัมปชัญญะไม่ต้องกำหนดลิ้นปีอีกแล้วเขาจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นสัมปชัญญะให้เรารับทราบอยู่ตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดตลอดไปยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้น่ะรับทราบกับอาการนี้ไปตลอดตลอดตลอดแล้วเมื่ อ, อไร เป็นสมาธิคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะถามคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดคุณมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือรู้ตามอาการที่เป็นสัมปชัญญะถ้าเขาจะเป็นสมาธิเขาจะแสดงอาการออกมาอย่างเช่นเหมือนมีมอเตอร์มาติดหมุน นี่คืออาการข้างเคียงเกิดขึ้นหมายถึงว่าจิตนี้พร้อมแล้วนะในการสะสมพลังเต็มที่แล้วพร้อมที่จะเป็นสมาธิแล้วขอท่าประกอบสักหน่อยเถอะให้คุณนั่งสมาธิได้เลยนั่งสมาธิมีหน้าที่นั่งในท่าของขัดสมาธิเฉยๆนะ ตรงที่นี้ไม่ได้บริกรรมอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วคือเขาสมบูรณ์แล้วเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นสมาธินั่งปุ๊บลงไปก็อาการเดิมนั่นแหละจิตตรงนี้เขาจะพื้ลงไปถึงอปปนาสมาธิพับเลยดนะ่ะดับโลกกระถาดเลยเห็นแต่จิตสว่างไสวเลย ไม่เลือกการสถานที่ไม่เลือกไม่ลาำเวลาถ้าอาการข้างเคียงตรงนี้มาหลังจากกิตขาดจากอารมณ์คืออาการของความเป็นสมาธิมาแล้วเข้าใจไหมแทรกสักหน่อยเนาะพวกคุณรอใคร มันไม่มีคนจริงน่ะอยู่ในนี่นะ่ะอริยะบุคคลกับพระพุทธเจ้าคือคนจริงไปแล้วพวกเราคือคนปลอมนอกจากจะทำตัวให้โลกหลอกลวงแล้วยังหลอกลวงโลกไปอีกพาตัวเองไปเกิดไปตายม่นมีที่สิ้นสุดเอจิตเป็นสมาธิผู้ส ว, สว่างสบาย รู้สึกว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศซ้ายทิศขวาทิศหน้าทิศหลังเห็นหมดนะเห็นหมดแต่ไม่มีร่างกายในความรู้สึกไม่มีร่างกายลกระทัดดับหมดดับหมดเลยถ้ามาอยู่นานไหม บางคนก็นานบางคนก็ไม่นานอัปนาสมาธิเนี่ยถ้าบริกรรมพุทโธหรือว่าดูลมหายใจถ้าเขาละเอียดลงไปละเอียดลงไประดับหนึ่งเขาจะทิ้งพุทโธ ท, ทิ้งลมหายใจทิ้งแล้วก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปถ้ากิตละเอียดลงไปจะเข้าสู่ความเป็นอัปนาสมาธิจะรู้สึกว่ากายนีิหาย บางทีก็เหลือครึ่งท่อนบางทีก็รู้สึกว่าเป็นปุยนุ่นไปเลยสักพักหายปุ๊บจิตนีงก็จะปุ๊บเข้าไปในลักษณะของความเป็นอัปปนาก็สว่างโล่งขึ้นมาเลยแต่เวลาจะถอนออกจากอัปปนาสมาธิอันนี้สำหรับผู้บริกรรมนะมันก็จะมามีความรู้สึก ว่ามีกายขึ้นมาแล้วก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, นจิตนี้ก็จะถอนออกสู่อัปปนาสมาธิสู่ความเป็นปกติแต่อันนี้เร็วมากพึดลงไปถึ ง, ถ ง, ถงอัปปนาสมาธิแบบไม่รู้ตัวเลยไม่มีอาการสังเกตอะไรว่ากายหายกายอะไรเลยถึงปุ๊บเวลาออกก็ดีดโชว์ออกมาเลย ถามว่าจิตออกจากความเป็นอปปนาสมาธิมาเนี่ยเขา ว, วางตัวยังไงพระพุทธเจา้ากำหนดไว้อยู่นะพระพุทธเจาาธา้าตรัสไว้อยู่นะผู้ใดทำจิตให้เข้าถึงความเป็นสมาธิ ผู้นั้นละ่ะจะได้รับจะได้ริมรสชาติของพระนิพพานบางองค์มืองท่านท่านก็บอกว่าผู้ใดประคับประคองจิตเข้าถึงความเป็นสมาธิคนคนนั้นละ่ะเห็นความเป็นแววของบรรยากาศพระนิพพานแรกสักหน่อยไหม ทำอะไรอยู่ปฏิบัติมันไม่ใช่เหมือนปฏิญาิมาสนนะมันยังไงอยู่มันอยากด่าหรืออยากยังไงไม่รู้นะทั้งโง่สารทั้งอยากด่าเอ้ ของที่มีอยู่เอาไม่ได้เนี่ยมันกมนออ็มันจะเอายังไงอ่ะไม่ด้ซื้อสักสิหึงเขาจะวางตัวดีมากเพราะฉะนั้นจิตดังดันตังสุงขขาวหาเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เนี่โอ้โหคํานี้ ถ้าจิตไม่ถึงสมาธิคุณจะไม่เห็นความพิเศษตรงนี้เขาจะไม่แกะเลยเขาจะไม่แตะเลยสิ่งที่มัน <c oughs> จิตที่ผ่านการเป็นอั ป, ปนาสมาธิและถอนออกมาวันหนึ่งหนึ่งเขาอยู่คนเดียวไม่ได้พูดกับใครสักคำพอดีเลยถ้าเขาได้พูดสักสองครั้งเนี่ยเขาโอ้โหเขา ไม่เข้าถ้าเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเนี่ยพวกคุณจะพวกคุณคิดเองนะว่าไปติดขัดกับคนนั้นคนนี้เสียงนั้นเสียงนี้รูปนั้นรูปนี้แล้วอยากจะบอกพวกคุณได้เลยว่าการปฏิบัติจิตใจเพื่อที่จะเข้าสู่กลิ่นไอของโลกของความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้ติดขัดกับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกไม่ได้ติดขัดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโลกที่ติดขัดเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจของผู้คุณเองที่พระพุทธเจ้าให้เชื่อว่ากรมมรุณห้าเป็นส่วนใหญ่กรรมมชันทะพยาบาทถินมิถะอุทจักบุกุจักวิกิกิจฉาห้าอย่าง ที่เขากางกั้นความเป็นสมาธิกามัฉันทาก็คือความพอใจในสิ่งนั้นริงนี้ริงนั้นริงนี้อยู่นี่แหละพระยาบาทก็อย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละถินมิทะอุทธาจากกุกุจักกุงง่วงเงาห้าวนอนขี้เกียจขี้ค้านขัดวันประกันพุง่งอยู่นี่แหละ อันนี้มันเป็นภาษาของกิเลสอยู่แล้วแต่พวกเราให้ท้ายเขาวิมาตลอดไงเขาก็เลยมาเป็นพระเอกในหัวใจความเพียรก็เลยไม่ไปถึงไหนทีนี้จิตจะให้ที่ผ่านการเป็นสมาธิ ม, มาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวุฒิทางใจใช่ไหม แต่ยังไม่เป็นสมาธิยังไม่มีวุฒิตรงนี้นะวุฒิที่ทางใจตรงเนี้ยเป็นตําแหน่งที่จิตจะเข้าไปรู้จริงเข็นจริงถ้าหลักฐานทะยานอยู่ตรงเนี้ยเราหลงมานานเสียนานเนี่ยมาแก้ไขตรงนี้แค่นิดเดียวไม่ได้กว้างขวางเหมือนเราหาอยู่หากินทุกวันนี้เลยหาอยู่หากินทุกวันนี้พระเจ้า แถบล้มแถบตายเสียงเป็นเสียงตายก็ <c oughs> geometry, ยังสู้มาสู้แค่นี้ไม่ได้เนี่ยจิตใจเนี่ยเรื่องฌานเรื่องยานเราจะบล็อกไว้นะเราจะไม่พูดนะกาหนดสติให้เป็นหนึ่งนี้ก็ฌานสี่เต็มรูปแบบแล้วละ่ะ เต็มรูปแบบเรื่องชาเรื่องอยาเนี้เราจะไม่พูดแต่ถ้าจิตจะเข้าเข้าสู่ความรู้จริงเห็นจริงเนี่ยเราอยากจะบอกพวกคุณอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นความรู้ตัวนี้มันจะมีสองประเภทสองอย่างสองชนิด สองระดับระดับที่หนึ่งคือความรู้พิเศษเราตั้งชื่อเองนะความรู้พิเศษในเนื่องจากจิตเนี่ยมีพลังเต็มที่เขาจะเกิดรู้เหตุการณ์สถานการณ์ไปเรื่อยๆหรือว่ารู้กรรมของคนใดคนหนึ่งบางทียังไม่ได้นอนหลับเลย ทุกเนี้ยอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในจังหวัดนี้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งมันบอกมาหมดเลยคนจะตายกี่คนมันบอกมาหมดเลยอันนี้เรียกว่า <c oughs> ความพิเศษของจิตหรือว่าความรู้กลายไปเป็นความรู้ ความพิเศษของจิตที่มีสะสมพลังแล้วกลายไปเป็นความรู้พิเศษต่างการรู้การเห็น อ, อ, อันจะมาให้ชื่อว่าความรู้ประดับอันนี้เป็นความรู้ประดับอย่างที่สองคือความรู้ถอดถอน ความรู้ถอนนี่คือความรู้จริงเห็นจริงจากพลังจิตเหมือนกันแต่ขอเตือนไหมว่าความรู้สองอย่างนี้ถ้าพวกท่านไปยืนอยู่ในจุดของความรู้ประดับดูนั้นเห็นนั้น ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะถ้าความรู้ประดับเสื่อมความรู้ถอดถอนก็เสื่อมพร้อมกันทันทีเพราะฉะนั้นความรู้ประดับเป็นเชือกผูกมัดคอให้ติดอยู่ระดับละเอียดนะอย่าใช้มากถ้าใช้มากเป็นกิเลส ต, ตัวใหญ่สำคัญที่สุด ให้พวกเรามายืนอยู่จุดที่เป็นความรู้ถอนถอนความรู้ต่อตอนี่ก็คือความรู้จริงเห็นจริงนี่แหละอันนี้เตือนกันไว้ถ้ามายืนอยู่ความรู้ถอถอนยืนนานเท่าไหร่ยิ่งเจริญตัวนี้เจริญตัวนี้ก็เจริญขึ้นด้วย จะเรินขึ้นหน่วยแต่ถ้ามายืนอยู่ตัวนี้เสื่อมตัวนี้เสื่อม ท, ทันทีถ้ามายืนอยู่นี้จเจริญขึ้นทั้งสองจนกว่าจะถึงวันจนกว่าจะถึงที่จุดแห่ง จ, จิตใจเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไห้ความรู้ประดับข้าเราได้นะความรู้ถอดถอนมีแตจะส่งเสริมให้เราเข้าสู่โลกของความเป็นจริง มันก็น้อยคนนะที่จะไม่เกิดความรู้ประดับนี่นะร้อยละห้าก็ยังไม่มีนะแทบจะว่าแทบจะทุกคนร้อยหนึ่งจะเหลือห้าคนไม่เกิดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตที่เข้าไป ถอนอกจากสมาธิแล้วมอบงานให้เขาว่าพิจารณากายจากที่หลวงพ่อพันเทศเนี่ยหลวงพ่อเปลี่ยนพิจารณากายใครก็รู้ถ้าสี่ขันห้าไม่ใช่ร่างกายเราแต่มันเป็นหลักฐานพยานได้ไหมล่ะมันทำให้ความเบื่อหน่ายทำนิพพิทายานความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นไหม การยืดมั่นถือมั่นอ่อนตัวลงไหมไม่ได้อ่อนนะความรู้แค่นี้ไม่ได้อ่อนส่งจิตที่มีพลังเนี่ยเขามีบุตรทางใจพอที่จะรู้จริงเห็นจริงให้เขาไปพิจารณากายจะเพ่งให้ดับหรือจะเอาแบบไหนปฏิกูลโสโคร ก, ครกหรือจะเอาแบบตายแล้วขึ้นอื่น พวกนี้เป็นหน้าที่ขวงฌานของญาณของพลังจิตทั้งนั้นนะ่ะ <c oughs> หรือจะแยกจิตกายหยาบกับกายละเอียดออกจากกันไม่ใช่แยกให้ไปเที่ยวนะแยกให้เป็นหลักฐานพยานไม่ใช่แยกให้ไปเที่ยวถ้าจะพิจารณากายเอาตั้งเลย เพ่งเลยที่ใดที่หนึ่งถ้าเรามอบการให้เขาสมมติว่าหันั้งอยู่นี้เมงฝ่ามือถ้าจิตมีชานมียานเก่ากล้ามีพลังพอเขาจะไม่อยากไปไหนเลยเขาจะอยู่กับฝ่ามือนี้จนกว่าจะเน่าเฟะขึ้นมาพอตรงนี้ท่างเฟะมันก็เริ่มต่อไปก็ทั้งตัว พังทลายลงไปเลยอันนี้นะพังทลายลงไปเลยให้เห็นเห็นเลยถามว่าวที่พังไปทลายไปนั้นคือใครถ้าดินน้ำลมไฟผู้เห็นนั้นคือจิตที่พัฒนาตัวขึ้นมา เขาจะเห็นสลายตัวลงไปหมดหมดหมดหมดหมดจนไม่มีอะไรแล้วเป็นแผ่นดินเฉยๆนี่แหละสักหน่อยก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นเดานี่หลักฐานที่แท้จริงเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงวิปัสสนาอันนี้เป็นวิปัสสนาเฉยๆนะความเป็นวิปัสสนาญาณนี้จะเอามา ตัดความยึดมั่นถือมั่นเอาสมมติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณเนี่ยเราจะมาพิจารณาครั้งเดียวไม่ได้อันที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะจะมาพิจารณาครั้งเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องนึกสิ่งสำคัญที่สุดคือเอาคำตรัสของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักฐานพยานอยู่ตลอดว่ารูป ก็ไม่ใช่เรานะเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารวิญญาณไม่ใช่เราทั้งนั้นมันเป็นส่วนประกอบของร่าง ก, กายที่มาอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยแม้แต่ร่างกายอันเนี้ยเอาเห็นขนาดนี้เขาถามว่าลดระไหมลดแต่ทีเนี้ยสายพวกนี้มันยงใหญ่เข้ามาหาจิตสมมติว่าจิตอยู่ตรงเนี้ย สายรูปมันก็โยงเข้ามาเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณสายยึดมัน่นถือมันจะทํายังไงเพราะฉะนั้นถือจิตเป็นหลักพิจารณาร่างกายพิจารณาเมตนาพิจารณาสัญส ญ, ญาสังขารอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันปวดเข่าปวดขาปวดแข้งตั้งจิตไว้ตรงเนี้ย ยิงตรงไปเลยที่มันปวดมันเจ็บอะ่ะไอ้ที่เจ็บนี่เป็นจิตหรือว่าจิตเวธนาเป็นจิตหรือจิตเป็นเวธนากันเนี่ยที่เจ็บเป็นจิตหรือจิตเป็นหรือจิตจิตเจ็บตั้งไว้เนี่ยไอ้ความปวดก็อยู่ตรงนี้เอาจิตอยู่ตรงนี้ใครปวดกันแน่ ใครปวดกันแน่เวทนาที่เขาไม่รู้แล้วล่ะว่าเขาเป็นเวทนาเวทนานี่เขาไม่รู้แล้วล่ะว่าเขาเจ็บเวทนาที่เกิดขึ้นที่ดอยไม่ได้เกิดขึ้นที่ต้นกล้วยต้นอ้อยไม่ได้ต้องเกิดที่กายผู้รับทราบคือใครจิตจิตคือผู้รับทราบ สนามทางานของเวทนาก็คือร่างกายถ้าเรามองไปมองมามองไปไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายๆครั้งถือครับตราขับสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราไม่ใช่ตัวใช้ตัวไม่ใช่เราใช่เขาและหลักพวกเนี้ยเป็นส่วนประกอบอหลักฐานตัว น, นี้ยืนยันอยู่เรามาแยกทีนี้แยกแยกกายแยกเวทนา ถ้าจิตมีพลังพอพวกนี้ก็จะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาอา่ะมองเส้นของร่างกายเอาหดตัวมาแล้วมองเส้นของเมตนาเอาหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถ้ามันหดตัวเข้ามาหมดอะไรเกิดขึ้นกับจิตดวงนี้วิปัสนาญาณ เขาจะคร่องตัวมากที่สุดอิสระเต็มที่ชนิดที่ว่าโลกนี้ไม่เคยเจอแรกสักหน่อยไหมพราะเราทำอะไรอยู่พราะเราทำอะไรอยู่คร่องตัวนี่ อ่อนช้อยสวยงามอันนี้อาจจะมาพูดแบบสำคัญสำคัญไปเฉยๆนะทางผ่านนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาหลากหลายมากพวกเราสนทนากันก็จบเลยนะวันนี้นะ อิสระตรงนี้จิตนี่เหมือนเหมือนแมวน้ำในทะเลทั้งคร่องทั้งอ่อนถ้าเป็นถ้าวิปัสสนาเฉยๆเนี่ยคล้ายๆกับว่าเจอกิเลสค่อยทุบถ้าวิปัสสนาญาณไม่เจอก็ต้องคน้นเข้าใจไหม ค้นค้นขูดค้นอย่างเดียวจิตมาถึงตรงนี้เป็นจิตที่เทพมากผู้ปฏิบัติก็ตายใจแล้วว่าโอเคถึงจะไม่ถึงก็ไม่วันใดก็วันหนึ่งจบแน่ มาถึงตรงนี้ทั้งความรู้พิเศษทั้งความรู้ถอดถอนจะเปรียบเทียบให้ฟังยังไงมันคมมันคมกริบเลยนะอะไรเข้าใกล้ไม่ได้นะกระจุยหรือแหลกไปเลยนะกระจุยหรือแหลกไปเลยมันเป็นลักษณะนี้นะ แต่มาถึงจุดนี้ให้พวกเราสะสมพลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าไปท่องเที่ยวกับความพิเศษของจิตจนมากเกินไปสะสมพลังไปเรื่อยๆถ้าพลังพอจิตโลดผลเขาจะความโลกธาตุอันนี้ลงไปเลยนะเหลือจิตดวงเดียวเดินอยู่ที่ไหนไม่รู้ สถานที่ที่เราไม่เคยไปคุณเคยไปไหมแต่ถ้าจิตมีพลังระดับหนึ่ง <S <S เขาก็จะกลับมาหารูปเวทนธนาสัญญาณการบิน ญ, ญาณมองรูปสักพักหนึ่งรูปนี้ดับคุบเลยนะเป็นไอเป็นควันไปเลย เมตนาที่มองเห็นอยู่ดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บจิต้วดับเนี้ยคิดไปถึงใครไม่ได้นะดับปุ๊บเลยนะดับุุคนที่เกี่ยวข้องทุกคนในโลกดับหมดนะตอนดับปุ๊บปุบ สุบเบชนะสัญญาณขานวิญญาณดับชลาธิมารณะชลาพญาธิมารณะดับพบดับชาิดับถามว่าจบไหมไม่มีที่เกิดอีกแล้วจิตตวงนี้ก็จะเข้าสู่โลก ของความเป็นจริงอันนี้จะมาพูดส่วนสำคัญที่สุดนะส่วนประกอบอีกนั้นเล่า ส, สักครึ่งเดินก็ไม่จบอีกนานให้กำลังใจรักศึกษาใหม่เกิดไม่หลับไม่นอนแล้วยุ่งเลยนะจะไปวระ น, นิพพาน ถามว่าถึงไหมถามว่าสุขไหมมันปัญญาชนมันก็เยอะเนาะล้วางคำพูดดีกว่าถามว่าสุขไหมไม่มีที่จะเปรียบแล้วละ่ะ ใช่จิตพวกคุณถึงอัปปนาสมาธิถอนออกมานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาจิตถ้าเป็นสมาธิครั้งเดียวเท่านั้นครั้งที่สองไม่ได้บริกรรมอะไรเลยและรึกสติเมื่อบวกกับจิตพืดเลยต้องการเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าคนเยอะคนน้อยกำหนดทุบ่บวกี่จะปพื้ ผเทศเนี่ยเป็นสมาธิครั้งที่หนึ่งสองชามสีมานี่พลําบากกับการลังไม่อยากให้เข้าสู่การเป็นสมาธิอยู่คนเดียวไม่น่าปืดปืดปืดจะเป็นสมาธิอย่างเดียวมันสำคัญมันตอนลงมาฉันข้าวนี่นี่มันชอบมาตอน ลงมาฉันข้าวกับตอนที่กำลังไหว้พระคนเดียวไหว้พระอยู่กุฏิเอา้าสักแป๊บเดียวเป็นสมาธิปีแรกนี่ลำบากเพราะจิตมันจะเป็นสมาธิอย่างเดียวถ้าพูดถึงไม่ใช่ม้นนจะเอาลึขนาดไหนจะเอานานขนาดไหนแต่ถ า, ถามว่าใช่ไหมไม่ใช่ ยิ่งดึกยิ่งห่างปัญญายิ่งนานยิ่งห่างปัญญาอยากให้พวกเราฝึกกันไปเรื่อยๆความรู้สึกใครไม่เข้าใจบ้างวันนี้พอาจารย์ครับผมสอบถามยืดาเวทนามเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแลวจิตโลโลมันเกิดตรงนี้แลวจิตโลเพ่งไปแลวจะทำอะไรกับเวทนามนี้ต่อไปครับ แล้วก็ผ่านไปสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้เนี่ยคุณไม่ได้ฟังเหรอฟังแตไม่ทันจับไม่ทันต่ตอยู่โอ้ใจใจใเลยใจแลว ร้อนๆเนาะได้บันทึก ไ, มไม้มั้ยนี่ฮะพวกคุณจะโมกรวดคนนั้นเกลดคนนี้อยู่ทำไม อันนี้พวกคุณหลงทางนะพวกคุณไปให้ความหมายคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีไม่ใช่เรื่องนะนี่นะไม่ใช่เรื่องถ้าอยู่ในความเกียรติที่เรารับผิดชอบก็าตักเตือนไปตามหน้าที่ส่วนมากคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเนะี่ยจิตผีบ้าอันนี้มันจะสแสวงหาของมันเองพวกคุณทําไมไม่ไม่สังเกตดู ธรรมชาติของโลกกลายมาเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งของจิตใจคือกับไหนคุณพอใจแล้วเหรอธรรมชาติของจิตที่ท่องเที่ยวไปด้วยความสนุกสนานของเขากลายมาเป็นกรรมที่จิตดวงนี้จะต้องรับใช้ก่นอีกเป็นการตอบภบต่อชาติ ความรู้พิเศษนี้เราไม่อยากอธิบายให้พวกคุณฟังเนยมันมีเยอะกว่านี้นะความรู้พิเศษนี้ไม่ใช่ธรรมดานะบางทีเขาเอารูปคนใดคนหนึ่งมาให้ดูนี่ดูมันไม่ใช่แต่รูปนี้เลยนะมันแทงทะลุูุปวงไปถึงบางทีอ๋อต้องในมันเห็นเป็นหมดนะจะบอกให้ พวกคุณเนะอ่้าเอาสิ่งที่ดีๆมาให้พวกคุณควบคู่กับธรรมะเนี่ยถึงพวกคุณจะไม่สำเร็จเจ็บป่วยในโรงพยาบาลธรรมะพวกนี้แหละจะมาเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเขาจะมาเขาเรียกว่า ปัญญาแตกทางธรรมเพราะฉะนั้นพวกคุณรับไปแล้วพวกคุณจะเอาไปวางไว้เฉยๆเขาจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะ่ะถ้ารับจากนี้ไปปุ๊บไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้นึกคิดเข้าไปเลยเขาไม่เกิดเขาไม่แตกกิ่งก้านสาขานะ ถ้าพวกคุณพิจารณาตามอาตมาพูดอยู่บ่อยๆนี่แงของปัญญาตัวนี้เขาจะเหมือนพุลเลยนะเขาจะแตกลุกกระจายออกไปเขาเรียกว่าปัญญาแตกกิ่งก้านสาขาออกถ้าพวกคุณเอาไปหมกไว้เฉยๆเขาก็จะเฉาลงแห้งลงจนใช้ไม่ได้เลย อย่าให้เป็นอย่างนั้นเถอะจิตใจถ้ามิเขามีความพิเศษเต็มที่โลกนี้ไม่มีสิ่งไหนจะปิดบังหรือว่าลี้ลับเขาได้เลยบัตจักรถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักเกิดนักตายมานานเสียนานเขาแหกสนามออกไปอย่างองค์อาจเลยกรรม ถึงจะเป็นสิ่งที่ใช้ยังไม่หมดไม่รู้ว่าเหลืออยู่กี่แสนกี่ล้านตันไม่ใช่ปัญหาของจิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เลยเขาสลัดทั้งยวงเลยพังลงเหวลงบ่อเห็นแต่ฝุ่นะลบอบวนบาปก็ไม่ต้องบุญก็ไม่เอาเข้าสู่โลกของความเป็นจริงอันนี้ถึงจะถือว่า ชั่วนิรันต์ชั่วนิรันตการจะเอาอยัางไงเรายังถูกหลอกอยู่นะเดือนนี้นะั่นหลอกอยู่หลอกอยู่หลอกอยู่ระบบการแก้ไขอยู่ที่ไหนอ่ะเครื่องมือก็ครบไปเป็นเทวดาครบไหม ไม่ครบนะไปเป็นเปรตเป็นผีครบไหมแก้ไขได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอยู่สถานที่เดียวพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สร้างบา ร, รมีมาเต็มรูปแบบก็มาตรัสรู้อยู่ในเมืองมนุษย์ที่เดียวบุคคลที่จะปลูก โความเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรารหันให้เกิดขึ้นมาได้งอกขึ้นมาได้ทบภูมิของมนุษย์ที่เดียวพวกคุณพวกท่านยืนอยู่จุดไหนเดี๋ยวเนี้ยถือว่าพวกคุณ ยืนอยู่ในถร้รมกลางของพุทธธรรมสังฆะแบกใบยอยู่ในมหาสมุทรของธรรมแต่ไม่รู้รู้จักวิธีที่จะเอารรมคำว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้ให้จิตทุกดวงเข้าไปรู้ สภาวะของความเป็นจริงเรารอใครถ้าไปถึงตรงนั้นด้วยอำนาจศีลอำนาจสมาธิอำนาจปัญญาแล้วทะเลธรรมมหาสมุทรของธรรมซึ่งเป็นธรรมนอกบัญญัตินอกพระไตรปิฎกมากกว่าบัญญัติอยู่นี้หลายแสนเท่าคนคนนั้นละ่ะ จะเข้าถึงได้ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาถามว่าตรงนี้เป็นสาธารณะไหมพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเข้าไปเห็นได้ด้วยเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็ถือเป็นสาธารณะไม่ได้เพราะมี คนเข้าไปเห็นอยู่บ่อยๆจะพูดได้เต็มปากว่าอยู่ในสาธารณชนไหมไม่ได้เพราะบางคนก็ไม่มีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติเข้าไปเห็นเลยรู้เลยถึงเป็นเฉพาะอุปนิสัยแต่ก็เป็นส า, ส า, สาธารณะเฉพาะบุค คนเท่านั้นเ ร, เราทำอะไรอยู่ไปถ้าถึงตรงนี้พระพุทธศาสตร์กระนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีคำสวนนะที่สุดแห่งจิตใจาศาสนาก็จบจิตใจก็จบ จบไม่ใช่ตายจบไม่ใช่ไม่รู้จบรู้อยู่แต่ไม่มีทุกเจอือปนไม่มีขอบเขตประเทศใดประเทศหนึ่งทิศเหนือทิศใต้ไม่มีเขาเรียกว่าจัดกรวานจิตดวงนี้ก็จะทรงตัวอยู่ในโลกอันนั้นชั่วนิรันดร์การ แต่อารมณ์มันเยอะนะเขาเนี่ยปรมาถ ธ, ธรรมทำแห่งความไม่ตายเยอะขนาดไหนมันละเอียขนาดไหนจะเอามาเป็นคำพูดไม่ได้เลยจะเอามาเป็นคำพูดไม่ได้เลย บเอาชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาเป็นคำพูดออกมาพูดให้พวกเราได้ยินว่าอันนี้อยู่นั้น น, นนะไม่ได้เลยแล้ว เ, เข้าไปในแน่ น, นเอียดเลยโอ้โหขนาดนี้เลยแต่จะเอามาเป็นคำพูดไม่ได้เอาว่ า, างไง เกินรอใครอยู่เข้าใจไหมความรู้ประดับกับความรู้ถอดถอนพวกเราเห็นอะไรว่ า, วาแบบๆพวกเราจะยึดถือแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นทันทีนะ จุดเสืมเสียรู้ไหมอะจุดนั้นคือจุดเสื่อมเสียถ้าสงสารพวกคุณนะแต่พวกคุณไม่สงสารตัวเองเองเราจะอยากจะร้องไห้แทนพวกคุณที่ไม่สงสารตัวเองไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่ข้าวก็ ทานกันมาละสามมื้อจใจไม่เคยดูแลรักษาเลยถ้าปฏิบัติธรรมระดับหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยธรรมะนี่จะมีบทบาทมากมีบทบาทมาก ถ้าเข้าต่อจากมิปัสาานาญาณไปอะ่ะมันจะเป็นมหาสติมหาปัญญานะมหาสติมหาปัญญานี่มันถ้าเป็นเครื่องบินมันก <c oughs> มนน็มองเห็นลานลมองเห็นลานเบแล้วจากนั้นไปไม่รู้จะพูดยังไง อาตมาตั้งชื่อขึ้นมาคนเดียวเลยมหาสติมหาปัญญาไปมันจะเป็นอบากาศอัดอบากาศทมหรือมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันมีความพิเศษของมันเยอะเยอะมาก จิตดวงนี้มันจะขึ้นจะลงอยู่นะมันจะขึ้นจะลงอยู่ถ้าอยู่คนเดียวสักแป๊บหนึ่งมันจะดีดโชคขึ้นไปเลยถ้าจิตไปถึงระดับนี้ทุกขงิงทุกอย่างเนียข้อมูล ข้อมูลทางโลกสมมุตินี่ดับหมดเลยนะดับหมดเลยข้อมูลทางโลกสมมุตินี่ดับหมดเลยมีคุบาวองค์หนึ่ง อยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันมาวันนั้นเอ๊ะผู้บ่าวนี้คือใครจำไม่ได้เอาแล้วงานนี้ก็มานั่งคิดอยู่อเขาชื่อเขาเป็นเพื่อนเรานะเนี่ยแต่บาปบบุญกับ ศีลสมาที่ปัญญานี่มันหายไปหมดแล้วล่ะหายไปหมดเลยบาป บ, บุญไม่มีเลยก็ไม่เห็นครูบานี่เอ๊ะใครมันึกไปนึกมาโอ้เพื่อนเรานี่เองเขาชื่อ น, นั้นเชื่อ น, นี้ทีนี่เราเกิดคำถามขึ้นมาว่าพ่อเรานี่คือใคร พ่อเรานี่คือใครคําตอบมันมาทันทีนะ <c oughs> อันนี้พวกเราจำไหมนะ่ะคําตอบมันมาทันทีมันบอกว่าพ่อเรานี่ก็เป็นจิตดวงหนึ่งเหมือนกันแ่ะที่เวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่ในมัตตจักรเนี้ยแต่ภพนิชาตินี้เขาเป็นพ่อเราอ๋อ นึกไปถึงใครคือข้อมูลทางโลกสมมูลที่ดับหมดเลยดับหมดเลยกว่าจะมาฟื้นขึ้นมาได้เป็นปกติใช้เวลานานนะเพราะเขาจะดิดขึ้นดิดลงอยู่ตลอดจิตดวงนี้ถ้าใครปฏิบัติไปถึงตรงนั้นจะมีที่อยู่อยู่ทรงที่ ถ้ามองลักษณะเป็นธรรมนิดหนึ่งเขาดีชุดเลยนะจะลงมาแต่ละครั้งก็นานมันไม่ใช่ธรรมดานะถ้าที่สุดแห่งจิตใจเนี่ยพวกคุณรออะไรรับรองว่า เราเอาตัวเองเข้าเตาไม่ได้ก็แล้วกันแ่ะนี่แต่คนอื่นจะหามเข้าถ้าแน่จริงอ่ะรอเอาตัวเองไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นเราจะเอาตัวเองเข้าเตาเองถ้าแน่จริงไม่มีใครแน่หรอกเชื่อเรานี่แต่คนอื่นจะหามเข้าทางนั้น มีวันเกิดปกติธรรมดาต้องมีวันตายถ้าไม่เกิดไม่มีวันตายเนี่ยนอนอมะตะธรรมคือโลกของความเป็นจริงโลกแห่งความไม่ตายโลกที่ไม่ได้เจือปนด้วยทุก ไม่ได้ตายนะไม่ได้ศูนย์นะรู้ตรงนั้นมันถ้าสมมติว่าประเทศไทยเอาถ้าเขาว่าภาคเหนือเราก็จะนึกถึงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายถ้าเขาบอกว่าภาคใต้เราก็จะนึกถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงนั้นมันไม่มีตรงนี้น่ะมันไม่มีที่ไหนที่ไหนเลยมันไม่มีเขตไหนเขตไหนอย่างไรอย่างไรเลยอ่ะมันเป็นจั ก, กรวาลที่เป็นอิสระของจิตที่มีความบริสุทธิ์ไปไหมของรถตู้เลยพวงนี้ เอาคุยต่อคุยต่อทำไมไม่มีไม่คุย ะสมาธิครั้งที่สองนี่อาจารย์นี่เป็นสมาธิลงครั้งแรกนี่มันมาอย่างไรดูไหมถอนออกจากสมาธิออกมาปุ๊บนี่มันบอกว่าเอ๊ะพรนิพพานนี้ไปพรุ่งนี้ก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาครั้งที่สอง ทอนออกมามันบอกว่ากิเลสตัวไหนที่ว่าดังที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกกระธาดิมาเลยมันเกิดการท้าทายขึ้นมาเนี่ยครั้งที่สามครั้งที่สามนี่อยู่ทาน้ำหลอดเนี่องศ์ทอนออกมาแล้วมันมาไหมเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่มันคือใคร ถ้ไม่มีสติปัญญาถึงขนาดสอนคนดิบ ๆ, ๆอย่างเราเนี้ยเข้าสู่อีกมิติหนึ่งได้อย่างสบายก็มาคิดถึงทุกๆคนเออเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำอะไรกันอยู่ยสมาธิหาใหญ่ของธรรมานิดบ่อยครั้งมากนะแต่จำได้ใหญ่ๆเนี้ยเขาจะมีคำท้าทายอยู่ตลอด มันมีอะไรเกิดขึ้นตั้งเยอะแยะนะในภาวนานั่นนะเพราะฉะนั้นคนบุญเก่าก็หายากกูบาอาจารหาอธิบายให้ก็ไม่ค่อยมีเนี่ยชอบเป๋อยู่เรื่อยอทางพระนิพระนิพานเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าจะทำลูกสอนชี้แล้วก็ เขียนป้ายชัดเจนว่าพระนิพานพระนิพานพระนิานพนานตรงแน่วเลยนะแต่ก็มีทางแยกเยอะแยะนะไอ้ไปเนี่ก็ไม่ได้ดูลูกศร น, น่ะนะชอบแยกอยู่เรื่อยอะแยกนิมิตแยกสามตัวแดงๆซื้อบางเอาไปแล้วเปลยนไปเรื่อยอะ ถ้านั่งอยู่นี้ได้คนละสามตัวนี่ก็เฮ้อนั่งสมาธิกันตึมนั่งด้วยอำนาจของกิเลสไงถ้านั่งรู้ทำเห็นทำเลยมันไม่เอาแล้วปวดนะปวดเมื่อยแล้วไปแต่ความพิเศษอยู่ในนี้นะความพิเศษอยู่ในนี้เยอะให้เราพูดคนเดียวเหรอ จะสอบถามสนทนาธรรมด้วยครับสอบถามก็ทำให้ผู้อื่นก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับอ่ออันนี้เปิดแล้วใช่ไหมคะเออคือฟังว่าเท่าที่จับความได้นะนคะว่า เมื่อทำไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยเจ้าคะอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่ทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมเจ้าคะที่จะทำให้เร า, าลดกิเลสได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะแล้วถ้าเราจะไปวิปัสนาเพื่อให้เกิดวิปัสนาญาณ เราจะต้องทำยังไงหลังจากอัปปนาสมาธิเจ้าคะเออถ้าเข้าเข้าใจอย่างที่ท่านเคยพูดนี่บอกว่าให้เราเออพิจารณาร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอันนั้นฟังแล้วเข้าใจถูกต้องไหมคะหรือหรืออยากอยากจะฟังว่าความจริงคือที่ถูกต้องคือยังไงเจ้าค่ะสาธุเจ้าคะ่ะ เดี๋ยวนี้จุดจุดที่พวกเราหลงจุดแรกก็คือร่างกายหลงว่าตัวเองมีคนอื่นก็เลยมีตามมาด้วยทีนี้เราจะพิจารณาจุดที่เราหลงนีให้เตกกระจายถ้าเราทำลายความหลงที่ว่ามีตัวมีตนเนี่ยได้แล้วคนอื่นก็ไม่ได้มีนะ หนทางตัวนี้มันจะเป็นหนทางเตียนมลงเข้าสู่ความเป็นวิปัสนาเตรียมรูปแบบมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเตรียมรูปแบบก็ได้นะแต่ยังไม่แก่ ก, ก็วิปัสนาเฉยๆนี่ก็เหมือนเด็กที่ยังไม่มีพลังเต็มที่เขาเห็นเราแบกกระสอบข้าสารเขาก็แบกได้แต่ไม่ไหวเขาก็แบกได้แต่ไม่ไหว คือเป็นเด็กอ่ะเห็นเราทำงานหนักๆ ก, ก็อยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีพลังวิปัสสนาญาณ น, นี่คือเต็มที่ทำอะไรก็ทำได้หมดประกายที่จุดแรกที่เราหลงแตกกระจายแล้วความรู้ เพื่อที่จะให้ความสมบูรณ์ในความเป็นวิปัสนาเนี่ยจนถึงเข้าสู่วิปัสนาญาเนี่ยเต็มรูปแบบแต่ถ้าไม่เจอทางแยกทางแยกคือมีริดมีเดชเอเหินเดินอากาศได้เห็นหัวใจสามตัวเป่าก้อนหินเฉยๆก็ยิงไม่ออกเอายุ่งกันไปหมดเลยทีนี้นะพลังจิตไม่ใช่ธรรมดา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงแสดงไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความถูกต้องสมาธิทิฏฐิมิจฉาสมาธิสมาธิทิฏฐิทิฏฐิสมาธิหลวงพ่อวิธียังเคยบัญญัติไว้มีสมาธิ แล้วเอาไปใช้ได้ทุกอย่างกำหนดให้คนนี้เป็นไปอย่างไรก็ได้นั่นคือไม่ถูกทางไม่ใช้สมาธิคาถาคนเล่นคาถาคนเล่นของขลังสมมุติว่าของขลังเหล่านั้นมีความขลังอยู่สิบเปอร์เซ็นต ถ้าพูดถือมีสมาธิถึงอัปนาสมาธิจะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นหมื่นเท่าเพราะฉะนั้นผู้มีผู้มีสมาธินี้ไม่จะไม่จาเป็นต้องมีคาถาพลังจิตพลังจิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนลมลมนี้ไม่มีตัวตน แต่ถ้าเขาได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยพังทลายไปหมดอ่ะพังทลายไปหมดจิตก็เหมือนกันพลังจิตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมถะ ม, มากเป็นความแขังของจิตมากจะว่าใครพูดใครจะได้คํานี้ระ ม, มัดระวังมากเพราะมันจะวิบัติไปตามครูบาอาจารย์บางองค์บันนึงไม่พูดอะไรเลย มันกลัวมันเป็นโทษอ่ะเพราะเราก็เหมือนกันกค่อยๆทำไปแต่อายุขนาดนี้แล้วเรา่าดเฉอนเลยนะมันจะดูแล้วมันไม่ค่อยสม ด, ดุลกันนะมันจะไม่ทันอะไรกันอะไรกันมันคล้ายๆกับ เคยเห็นหนังสงครามไหมที่กองทัพถูกข้าศึกโจมตีหัวหน้าค่ายก็ถูกยิงฮอก็จะขึ้นลูกน้องก็จะเอาหัวหน้าก็ตัวเองก็จะขึ้นฮอไม่ได้จะทิ้งหัวหน้าหรือจะยป็กนยังไงอยู่ เวลามันกระชั้นชิดเหลือเกินพวกเราเราถึงอยากให้พวกเรายืนอยู่ท่ามกลางของความเป็นจิตใจเธอะจะไม่มีอะไรก็ขอให้ประคับประคองตัวเองยืนอยู่จุดนี้ให้ได้อันนี้แหละจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเพราะ เวลามันเหลือน้อยสุดท้ายฮอก็ไปหัวหน้าก็ขึ้นไปได้เลยตายกิเลสถลุงเอามันจะเป็นอย่างนี้นะะมันจะเป็นอย่างนี้เราแล้วห่วงพวกคุณเรามาตั้งหลายครั้งแล้วนะ อยากให้ประโยชน์ตรงนี้มันเกิดขึ้นในรูปแบบลักษณะการปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใครที่ไหนพระพุทธเจ้านี่คือเป็นผู้ที่เป็นห่วงเราโดยเฉพาะพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ใครที่ไหนพระพุทธเจ้านี่มารับพวกเราโดยเฉพาะพวกเราตัดสินใจตัวเองไม่ได้เฉยๆนะว่าจะเอาอยัางไงจะไปหรือไม่ไปสุดท้าย พระพุทธจเจ้าก็เอาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักต้มตุนหลอกลวงที่ไหนนะเป็นผู้มาอ้าแขนรับพวกเราโดยตรงพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมไม่ใช่เป็นผู้ที่จะมาหลอกลวงเอาเงินเอาทองเรานะ่ะเป็นผู้มายืน อาเข็นมารับเราโดยตรงเป็นผู้กวักมือเรียกพวกเราอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ใช่นะที่ที่ที่พวกคุณทําอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมาทั้งนี้พวกเราไม่สนใจเลยพวกเราหันหลังให้กับพระพุทธเจ้าที่กําลังกวักมือเรียกอยู่ พอใจหรื อ, อยังใครถือพระใครถือเหรียญพระอิสวนบ้างสวนไปสวนมาอ้ า, อ า, อาพอไห<อ> <พอ S 2> มมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพอไห ม, ม, มไปสองโมง อยู่ด้วยกันนี้มีทําตามอยู่แล้วขอขอโอกาสนิดนึงนะคะเมื่อเช้าที่หนูกราบขอขอมานะคะทีนี้มันก็นยังปิดอยูอ่พอตอนตอนท่าจันเทศตอนเช้าอ่ะคะ่ะมันก็ได้คำตอบขึ้นมาว่าเพราะสติมันอ่อนนะคะแล้วอพอมาช่วงช่วงเที่ยง นะที่พระอาจารย์สอนที่ให้ไปกลับลงปู่แล้วกลับเข้ามาสิ่งที่หนูเห็นก็คือพอเดินกลับเข้ามาเนี่ยเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นมันเห็ น, นเหนมือนล่างเนี่ยนั่งอยู่แล้วเราก็เข้ามานะแล้วพระอาจารย์แค่สอนต่อ บ, บอกว่ามันคืออะไรอะไรทำนองเนี้ยคําตอบที่พระอาจารย์บอกว่ามันสติหนูก็ย้อนกลับไปที่เมื่อเช้าหนูก็เลยได้คําตอบขึ้นมาว่า เพราะหนูไม่มีสติเลยทำบันน้นเกิดขึ้นนะคะอพอพอได้คำตอบตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่มันติดอยู่เนี่ยมันหายไปหมดเลยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันดีใจหนูอยากจะถามว่ามันใช่ไหมคะที่หนูเข้าใจใช่ใช่ใช่เลยมันมีอะไรพิเศษหลายอย่างกว่านี้นะ แต่ เ, เราไม่อยากสอนพวกคุณไม่อยากให้พวกคุณได้ยินด้วยให้พวกคุณเข้าไปเห็นเองในนั้น <c oughs> เราถึงตัดหุ่นเข้ามาแบบสั้นๆถ้าเราอธิบายไปหมดไม่จบวันนี้ไม่จบไม่จบมันมีอะไรพิเศษหลายๆอย่างกว่านั้นมาก อยากให้พวกคุณเข้าไปเจอเองแล้วจะได้มาถามเราทีหลังหรือว่าพระองค์อื่นๆ เ, นเงินเน่แย่งกันจะตายบุญไม่ได้ซื้อได้ขายใครทำเวลาไหนก็ได้ มีความสำคัญมากกว่าเงินกว่าทองไม่เอาถ้าผู้มีปัญญาแล้ลักษณะของนักปราชญ์ที่แท้จริงบุญก็คือเงินเงินก็คือบุญถ้าไม่มีบุญก็ไม่มีเงินถ้าไม่มีเงิน บุญก็มีเนี่ยจะเอาเงินเป็นบุญก็ได้คือยกเงินนั้นถวายทานกลายปเป็นบุญทันทีเรามานี้ก็มาตัวเปล่า ถ้าได้สร้างบุญไว้มันก็กลายเป็นเงินถันถีเอา้ายุ่งแล้วสิถ้าไม่มีบุญก็ไม่มีเงินถ้ามานี้ไม่มีบุญนี่หาเงินไม่ได้นะ่ะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นบุญพอที่จะแปลสภาพเป็นเงินอยู่ถึงจะได้เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเงินก็คือบุญบุญก็คือเงิน เพีงแต่ว่าเงินเขาใช้ได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวมีเงินอยู่สิบล้านจิตายแล้วจะเอาไปด้วยได้ไหมฮ <c oughs> ใส่กระเป๋าไปก็ไม่ได้มันมีกระเป๋าอยู่นะ ได้นะง่ายที่สุดเลยเราจะบอกพวกคุณง่ายๆว่าสิ่งไหนที่คุณอยากให้เป็นของของเราจริงๆจัดสิ่งนั้นเข้าสู่ระบบการให้ทานจะเป็นของเราสันดี สมมติว่าเรามีสมเด็จวัดระรังองค์หนึ่งรักษาหึงหวงไว้จนบรรตายใช่ของเราไหมแต่ถ้าเอาสมเด็จนั้นไปถวายทานไว้ที่ใดที่หนึ่งสมเด็จองค์นี้มีสิทธิ์ที่จะกลับคืนมา เงินสิบล้านก็เหมือนกันเราถึงไม่อยากเทศเรื่องการให้ทานมันคล้ายๆกับว่ามันเห็นแก่ตัวเงินสิบล้านก็เหมือนกันถ้าทุกพวกคุณต้องการเอาไปด้วยจัดเข้าสู่ระบบการให้ทานไปให้ทานสักสิบบาทบตรละล้านตายไปเป็นของเราแน่นอนอันนี้นะ เรามาเกิดเป็นมนุษย์หรืออยู่ที่ไหนต้องได้รับอำนาจบุญของสิบล้านเนี่ยถ้าไม่ได้จัดเข้าสู่ระบบการให้ทานสิ่งสิ่งนั้นจะไม่ใช่ของเราเลยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกพวกคุณอยู่ตลอดเวลาเวลาเรากำลังให้ทานอะไรอยู่เราอย่านึกว่าเรากำลังเอาของสิ่งนั้นให้กับคนใดคนหนึ่ง เรากำลังหยิบสิ่งสิ่งนั้นให้กับตัวของเราเองสักวันต้องมาถึงเราถ้าเราไม่ได้ให้ทานไว้ไม่มาแน่ไม่มาแน่ถ้าพูดถึงตรงเนี้ยพวกเราไม่ได้รักตัวเองสัาหน่อยเลยการให้ทานก็ไม่ได้รักตัวเองดูระบบแล้ว งั้นงั้นแหละไปซื้อเอาตามลำพิงใจนันมีตำรวจคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงไปให้ทานไปถวายทานเราก็บอกเราก็ถามว่าทำสังฆทานเนื่องในเนื่องในบรรอะไร เขาก็บอกว่าอ๋ออิันมาทำบุญให้กับแม่แม่เสียไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดูสังฆทานแล้วเนี่ยโอ้น่าคิดนะในทังเหลืองๆเล็กๆกันนะะรุ่นเล็กสุดอะ <laughs> น้ำก็ไม่ใช่น้ำขวดใสๆอย่างนี้นะ เราก็ไม่เอ๊จะพูดดีหรือไม่พูดถ้าพูดมันก็จะยาวเกิดเขาไม่เชื่อมันก็จะเกิดเรื่องไม่พอใจแล้วก็แล้วก็เทศไปเนาะเทศไปหลายๆลยอย่างพอมาถึง พรูบาอาจารย์มาถึงบิดามารดาเนี่ยบิดามารดาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็กำหนดไว้เป็นทักษิณยะส่วนบุคคลนะเป็นคนสำคัญสำหรับผู้เป็นรูปมากที่สุดแต่คุณคุณมาทำบุญวันนี้เราบอกว่า ตั้งใจทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอันนี้รู้สึกว่าเราพูดตรงๆจะโกรธเราก็ได้จะบูชาเราก็ได้มันไม่สมดุลเลยมันเป็นบุญเท่มากง่าย ราคาถูกพระพุทธเจ้าไว้ได้บัญญัติเงินว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ทําบุญแต่ละครั้งหลักใหญ่คือศรัทธาที่ใจใจที่ใส่ศรัทธามีคุณค่ามากที่สุดสลึงเดียวบาทหนึ่งสลึงเดียวจะได้รับสิ่งตอบแทนน้อยไม่มีเลยอันนี้เราทําำนมองรวมๆแล้วคุณทําด้วยความจําเป็นอะ่ะ จคก็นั่งแบบบิดามารดาเป็นพระอาหาันรประจำบ้านนะเอาง่ายๆก็ได้สมมติว่าคุณเป็นผู้ตายไปแม่อนสังฆทานถังนี้ให้คุณคุณจะพอใจไหม <c oughs> เดี๋ยวเนี้จิตวิญญาณแต่ละดวงเนี่ยหิ้วทังเหลืองหอยห้อยศอกอวดกันอยู่ไม่มีอะไรกิง ทำให้มันสมควรกว่านี้เราไม่ได้พูดด้วยเสนอสนองความอยากของเรานะข้าวหม้อแกงหม้อดูดีสมควรตามหลักที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เขาไม่พูดอะไรสักคำเลยเขานั่งเงียบจนแจกอาหารเสร็จให้ปอนเสร็จไม่พูดอะไรสักคำเดินลงศาลาไปเลย รู้ไหมว่าเขาไปไหนเขาลงมาข้างล่างในลำปางเขาไปเหมาร้านอาหารให้พระในวัดในเมืองเออแม่กูไม่ได้เอาถังเหลืองห้อยศอกแล้ว ง, งานนี้ <c oughs> <c oughs> ล่างๆม า, าเขาก็ขึ้นไปนะดีก็เสิยงว่าดีพวกเราอะ ให้ทานไม่ได้รับตัวเองนะพระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องให้ทานไว้วัตถุทานนี่อยู่สิบอย่างเลนะอันหนังปานังวัตถังยานังมารลากันทังวิริปันนังเซยยวัสทะถังปฏิยปยังทานะวัตถุอิเมดาสะทานวัตถุสิบอย่างเหล่านี้คือข้าวน้ำผ้ายาระเบียบดอกไม้ของหอม เครื 1941, e ่องรูปไร้ที่นอนที่พักอาศัยเครื่องประทีปที่นี้จําแนกแจกจ่ายออกไปว่าผู้ให้ข้าวเชื่อว่าให้กําลังผู้ให้ผ้าเชื่อว่าให้วันนะผู้ให้ยานเชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีบเชื่อว่าให้จักสุขผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ ูให้ฐานะอันประเสริญย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริญของที่พอใจใครจะอยากให้ใช่ไหม <c oughs> เราไม่กล้าขนาดนั้นเรื่องให้ทานนี้เราไม่ค่อยอยากบรรยายเพราะให้ทาลักษณะการพูดมันคล้ายๆกับว่าขอเขาอะ บางสิ่งบางอย่างเราไปเห็นอะไรโอ้คุณต้องทำบุญอันนี้อันนี้อันนี้แต่ไม่ใช่วัดเราวัดอื่นเราบอกอย่างนี้แล้วต้องปัดไปเลยปัดไปเลยให้ทานนิพูดพระพิไหนมันมันหยัดไว้อยู่นะข้อหนึ่งห้ามพูดน้อมลาบลักษณะนี้มันคล้ายๆกับว่าเอกเรีย ก, กรมให้ญาติยม ให้ทานหรอมันก็ยังไงอยู่ให้พวกคุณพิจารณาเอาเองมาถึงขนาดนี้อายุขนาดนี้พวกคุณสรุปได้แล้วว่าบุญเราทำมาขนาดไหนพอที่จะได้เท่าไหร่แล้วสิ่งไหนที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราบริจาคให้เป็นรางวัลของตัวเองแล้วก็ประทับใจที่สุด ไม่ใช่ว่าเขาทำก็อยากทำเขาไปก็อยากไปความคิดที่จะมีความตั้งใจใส่สถานไม่มีอันนีอ้อยากอยู่นะยากอยู่ยากอยู่เพราะฉะนั้นคาตรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ย เราไม่สงสัยเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าน่าสงสารมนุษย์เนอะเขาตายจากมนุษย์มาแล้วแทนที่จะได้ไปสู่พวกภูมิที่ดี้ากันลงสู่อบายเป็นส่วนมากลงอบายภูมิเป็นส่วนมาก เพราะเขาปฏิบัติตนไม่ค่อยดีถ้าปฏิบัติตนไม่ดีผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดเท่ากับส่งตัวเองลงนลกในชาติหน้าต่อต่อไปนี่นะถ้าเราทาดีอยู่ตลอดเท่ากับส่งตัวเอง ขึ้นสวรรค์ถ้าคัดเกลากิตใจอยู่เป็นนิดเท่ากับส่งตัวเองเข้าสู่พระนิพพานจะเอาอย่างไรเข้าใจไหมความรู้สึกตัวรู้ผู้รู้ความรู้สึกตัวนี้แหละจะเป็นสมาธิถ้าเขา ยิบยับขึ้นมาพื้นพื้นพื้นเตดความรู้สึกตัวนี้แหละสตินี้ไม่ได้เป็นสมาธิด้วยสตินี้เป็นตัวเก็บข้อมูลลักษณะอาการของจิตที่ลงไปเป็นสมาธิอาบานอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นอย่างนั้นก่อนจะถอนออกมาอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ในสติหมดที่อาจะมาเอามาเทศเอามาบรรยายสติเป็นตัวป้อนข้อมูลออกมา ถ้าสติไม่ป้อนข้อมูลออกมาอจะมาอาจจะมาเทศไม่ได้เพราะตัวเนี้ยมันผ่านการทางผ่านของเรามาเราต้องข้อมูลตัวเนี้ยได้มันต้องส่งออกมาเรามีหน้าที่พูดอย่างเดียวเทศไปวุบคาพูดนี้มันจะพุ่ดออกไปเลยเรามีหน้าที่พูดตาม แต่แปลกนะไม่มีผิดนะไม่มีผิดเลยบางคําเราถึงสงสัยตัวเองเลยเทศธรรมารงธรรมารไปแล้วไปฟังตัวเองเอ๊คานี้มันเอามาได้ยังไงมันอัตโนมัตถึงขนาดนั้นนะ่ะพื้ไปเลยพูดยังไม่จบคํว่าประโยคนั้นพืดนมาแล้วเรามีหน้าที่พูดอย่างเดียว จ้าแต่ถ้ามันไม่ส่งข้อมูลก็เออยุ่งเหมือนกันนะมุกวกวนๆนอยู่นั่นนะสมาธิสมางอสมางอสมาธิอยู่นั้นยุ่งเหมือนกันถ้ามันไม่ส่งข้อมูลก็นึกปรยิยัตขึ้นมาเลยอาศินสมาธิปัญญาก็มาเลยแต่มันไม่น่าฟังเนี่ยมันไม่น่าฟัง โลกใบนี้คือสนามแห่งความหลอกลวงสนามแห่งความหลอกลวงเพราะคุณจะมาค้นหาความจริงในโลกใบนี้ไม่มีหรอกค้นหาความสมังอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีหรอกค้นหาความจรงิงคนจริงอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีคนจริงคนนี้จากโลกใบนี้ไปนานแล้ว เพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่เนี่ยการตูนเปคนจริงเอาต่อไปไปไหนแล้ว <Your God> นิ่แต่สนายานโอ้เรานี่ก็เล่นเหมือนกันนะเล่นเหมือนกันเต็มที่เหมือนกันเที่ยวเหมือนกันเที่ยว ตกบทเล่นมันเล่นเนแต่มาอาจารย์มันยิ่งอาจารย์ขานนีด่าเนาะให้เล่นเลยอาจารย์ขานนี้เป็นพระพระที่ตรงมากนะเสียสละตัวเองออกมาบวชก็เท่ากับเสียสละโลก เสียสละโลกแล้วต้องเสียสละต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นขยันมันเพียในหน้าที่การงานของตัวเองให้ถึงจุดจบถ้าถึงจุดจบแล้วจะเล่นยังไงก็ไม่เสื่อมถ้ายังไม่จบไม่จงเล่น ขึ้นดด่าอย่างเดียวนะอาจารย์ขานนี่ควบคุมไปหมดนะอะไรที่มันเคยชอบทางหูไม่ต้องฟังอะไรที่มันชอบทางจมูกไม่ต้องดมอะไรที่มันชอบทางลิ้นไม่ต้องกินอาหารก็เหมือนกันที่เขาถวายมาถูกใจเคยชอบเคยกินเคยฉันมาทรงผ่าน อะไรที่มันไม่อยากกินเอาให้มันกินต้องดัดนิสัยมันให้ได้ดัดนิสัยพร้อมกับการปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกดงค์ัพเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทรมานกิเลสเขาเรียกว่าเผากิเลสให้เราร้อนสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องสังหารกิเลสอันดับหนึ่งการกำหนดความรู้สึกมึกีนี้ อยู่ในลักษณะอาการของสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นแล้วพวกเรารอใครพอไหมปศิมานครับปิดทองลูกนิมิตนะครับช่วงเดือนธันว์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพนาร้อยหกสิบสี่นะครับท่านยินดีนะยินดียินดีเชิญทุกท่าน เพราะมีการตัดรูปนิมิตผูกพันธสีมาวันที่ยี่สิบเจ็ดตาสะคาาวะโตอารหาหะโตสัมมาสัมพุทธเบียบาทักสิของเกียบาที่ส่วนตรงนี้มแตกต่างนี้ว่ า, นน า, า, า, วามันยังไงอยากทาบเพื่อยรนการปกครอด้วย จะสู้ผู้มีสินไม่ได้แล้วก็มีอยู่สองอย่างีมุดติสงพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าเป็นนาบุญของโลกสมมุติีสงก็เป็นผู้ คือศีลอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเป็นผู้ถึงไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของความเป็นนาบุญของโลกก็ยังมีอาณาสง์มากอยู่นะพยาบาลมันก็เป็นการช่วยคน ก็อาให้สง์ก็มากเหมือนกันแต่สู้พระสงฆ์ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงยกให้สงเป็นหลักจะให้ทานแต่ละสิ่งละอย่างมันมีพิธีอรีตรองเข้ามาเกี่ยวข้องไงศาสนามีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างศาสนา วัตถุกับาศาสนาสถานหนึ่งสองคือาศาสนาพิธีสามคือาศาสนาธรรมสี่คือาศาสนาบุคคลเพราะฉะนั้นาศาสนาสถานก็คือวัดาบารามโบรวิหาราศาสนาพิธีอริยพิธี มีกี่ไม่กี่อย่างนะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้าศาสนวัตถุงกเงยาศาสนพิธีก็เริ่มจะมากขึ้นถ้ า, าศาสนวัตถุงกเงยาศาสนพิธีงอกขึ้นพระสงฆ์ก็วิ่งตามาศาสนพิธีาศาสนธรรมก็เลย อ่อนตัวลงเมื่อศาสนาธรรมอ่อนตัวลงศาสนาบุคคลก็ไรคุณภาพเป็นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ไม่ได้โทษใครนะผู้รู้ก็เยอะผู้ไม่รู้ก็เยอะเพราะอ่อนต่อศาสนาธรรมมันเป็นลักษณะนี้ ให้ทานรูปแบบของการให้ทานเนี่ยถ้าจะให้ทานในโรงพยาบาลชื่อเสียงจะมากนะถ้าให้ทานกับพระสงฆ์ชื่อเสียงมันก็จะน้อยแต่บุญมันก็เยอะนะบุญมันก็เยอะถ้าเข้าเป็น อริยะสงคือนาบุญของโลกโสดาสกิท ธ, ธาคานะคาอรหรันต์บุคล ค, คลสี่คู่บุคคลสี่คู่แปบดบนี้ใดเราโซดาปฏิมาโสดาปฏิผล สกิทธาคามีมรสสกิทคามีผลอนาคามีมรณาคามีผลอนาหันแตม่มรณาหันแต่ผลแปดจำพวกแปดนี้ใดเล่านาบุญของโลกนาบุญของโลกที่พระพุทธเจ้ากำหนดเขตไว้เนี่ยอะไรเลยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อนละ เป็นผู้เป็นบุคคลที่ควรต้อนรับแขกเป็นบุคคลที่ควรรับเครื่องสักการะที่เขานำมาบูชาเป็นกาวไว้อย่างนี้นะเป็นบุคคลที่ควรทำอันชาดีกราบไหว้เทิดทูนบูชาท่านเหล่านี้ ก็ได้กันาบุญของโลกนี่แหละสมมติว่าโยมเอาไปถวายสร้างโรงพยาบาลสิบล้านอาจจะได้มาสักสามสิบล้านก็ได้สมมติให้พระสงค์สิบล้านอาจจะออกมาสักห้าสิบล้านหรือ1้อยล้านก็ได้ เมม่อว่าเอามาให้พระสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกมหาศาลนะเพราะฉะนั้น <c oughs> อริยะสงฆ์ท่าบนเอ่ยขึ้นจะสร้างอะไรบาทหนึ่งสลึงหนึ่งมีคุณค่าทั้งนั้นให้ทานร่วมกันกันกบท่านอย่างงวงตะบัวเนี่ยชาติสุดท้ายท่านทำผระป่าช่วยชาติ ถ้าปาช่วยชาติเนี่ยถามว่าบุญกุศลที่หลวงตาทาทั้งทั้งที่ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานใครจะเอาบาปไปก็เข้าไม่ได้น่ะพระนิพพานใครจะเอาบุญไปก็เข้าไม่ได้ทั้งสองอย่าง แต่ทำพระป่าช่วยชาติเนี่ยบุญพระหาสารท่านออกไปไหนท่านก็ประกาศชักชวนให้คนทั้งหลายนี่หละโดยอาศัยบา ร, รมีความเป็นนาบุญของโลกของท่านให้พวกเราได้ใช้ร่วมถ้าใครได้ทานร่วมกับท่านก็จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ของตัวคนนั้นส่วนหนึ่ง พระป่าช่วยชาติหลวงพ่อเ ไ, ได้ยังก็สมาธิเต็มทั่วโลกพลังกิตตานุภาพก็พระป่าช่วยชาติเหมือนกันแ่ะคนหนึ่งช่วยเงินช่วยทองคนหนึ่งช่วยใจพัฒนาใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งสองอย่างนั่นแหละเป็นมรดก ข, ของประเทศทั้งสองอย่างนั่นแหละพัฒนาธรรมชาติของมนุษย์ก็คือจิตใจนี่แหละ ถ้าหลวงพ่อวิริยังพัฒนาไปได้ทุกคนในรูปแบบของความเป็นสมีิสมาธิอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าไม่ใช่ความร่มเย็นเพราะสมาธิไม่เคยทำให้ใครไปยุ่งเห่ิงบุนไายสมาธิไม่เคยทำให้ใครอยากเด่นอยากดังที่ไหนแล้วเป็นของสงบเป็นของเย็นเป็นของโล่งเป็นของสบายที่สุด ถามสัหน่อยเถอะเราน่างองอยู่คนเดียวนะ่ะเดี๋ยวนี้นะอาจารย์คะอย่างกรณีที่เราไปงานโตกอย่างเนี้ยค่ะแล้วเราก็ไปบอกให้คนที่ร่วมรับไปแล้วว่าขอให้เขาเปฤฤฤฤฤฤ็นภูมิที่ดีอะค่ะแล้วเราเองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าภูมิที่ดีเป็นยังไงอยเนี้ยเพราะเราไม่เราปฏิบัติยังไม่เป็นงตรงนั้ น, นะคะ่ะ เราสิทธิ์ไหมคะที่จะแบบไปไปบอกให้เขาไปตรงนั้นนะคะก็มีสิท์ทุกคนนั่นแหละอย่างเช่นเราพูดกับพวกคุณเนี่ยพวกคุณคิดสักหน่อยไหมพวกคุณเอาของไปประกันเราเนี่ยเออขอให้มีความสุขตามของท่านของท่านนะตามตามฐานะของท่าน ของท่านตามฐานะทานของพวกท่านนะพบภู่มที่ดีมันก็เป็นอุปนิสัยของมนุษย์ที่เลือกคำมาใช้เฉยๆหรอกแต่ที่จริงแนละ้วพระพุทธเจ้าบอกว่า คำบายบออธิษฐานเป็นของศูนย์เปล่านะแต่พวกเราก็ยังทำกันตึมอยู่ตัดกรรมล้างกรรมไม่มีในพระพุทธศาสนาถ้าตัดกรรมได้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าล้างกรรมได้อะไรจะเกิดขึ้น อตาตมาก็จะไม่บวชเลย <c oughs> จะไปล้างกรรมอย่างเดียว <c oughs> แต่อตาตมาเทศออกไปนี่เป็นหนทางหนีกรรมโดยเฉพาะนะ <c oughs> เป็นหนทางหนีกรรมโดยเฉพาะเฮ้ เขาเรียกว่าโมฆะกรรมนะ น, นี่นะกรรมไม่มีสถานที่ให้ผลนะคือเจ้าตัวหนีแล้วเขาเรียกว่าโมฆะกรรมแต่พวกเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะ่ใช้ในเมืองมนุษย์ก็ยังไม่หมดรออยู่ข้างนอกนี่ตึมเลยขอให้มึงมาเธอมึงอายุขนาดนี้มึงอยู่ได้ไม่นานหร อ, อ, อกมึงจะออก มาแล้ว ก, ก็หิวต่อเลยนะหิวปีกเลยกรรมมันไม่มีที่สิ้นสุดเข้าใจไหมที่เราคิดแต่ละวันเนะี่ยมันเป็นกรรมมาถึงเราตลอดตลอดตลอดก็กรรมเนี่ยเป็นสิ่งลึกลับที่น่าศึกษาแล้วก็น่ากลัว ถ้าเขาให้ผลแล้วไม่มียาดีไม่มียาแก้ไม่มีพิธีรีตองที่จะเพิกก้าวกายเขาได้เลยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปเบรกไปหยุดเขาได้เลยคําว่ากรรมเนี่ยนะถามว่ามันมาจากไหนพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมบาปกรรมเข้าได้สามทางคือกายวาจาและใจ ถ้าเรากำลังทำเนี่ยเราเป็นเจ้านายเขาถ้าทำเสร็จแล้วเขาจะมาเป็นเจ้านายเราเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าคิดว่าความคิดของคุณโดยเฉพาะทุกคนมีกรรมเป็นผู้จัดการพอที่จะเอาอะไรให้วันไหนเขาเอามาวันไหนไม่ให้ก็คำเพื่อไม่มี รูปร่างกายเรามาด้วยกรรมตั้งอยู่ด้วยกรรมแล้วก็จะไปด้วยกรรมกรรมเป็นสิ่งที่ลึกลับไม่มีการแก้ไขถามว่าใครเป็นผู้สร้างก็จิตดวงนี้ลหละถึงเขาจะมีอำนาจมากขนาดไหนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่ง ออกนอกเส้นทางได้กรรมเนี่ยให้ผลไม่มีไม่ผิดคนให้ผลไม่ผิดตัวผู้ทำแล้วจะเลี่ยงจะลบไปอยู่ที่ไหนไม่มีผลเพราะตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาสิ่งลึกลับที่น่าศึกษาแล้วก็น่ากลัวที่สุด ตะทำยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้ผลแล้ว เ, าเราอดครวนลามปามไปหาคนอื่นนะเอ๊เป็นพ่อคนนี้หรือเปล่าเนี่เป็นพ่ออันนี้หรือเปล่ามันก็จะเป็นไปอยู่อย่างนี้ที่จริงแล้วเราขีดเขียนไว้แล้วกรรมมันถึงมีบทบาทมาสั่งได้ เรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็กรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนคือเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยปัจเวกคณญาณห้าเนี่ยเป็นสมบัติของเราคนเดียวเราจะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปก่อกรรมอย่าไปผูกปอมอย่าไป ให้มันเป็นเรื่องเป็นดาวที่จะตามล่าเราอีกถ้าเข้าถึงที่สุดแห่ง จ, จิตใจอ่ะเราชอบนะหลวลงตาหลวงตาบอกว่าตั้งแต่วันจิตใจดวงนี้สลัดกิเลสออกไปหมดทุกตัวแล้วเราไม่เห็น ไม่เคยเห็นความทุกข์ทางใจมาผ่านให้เราเห็นหน้ามันอีกเลยนะชอบกคำพูดตรงตาตรงนี้นะ่ะตั้งแต่วันกิเลสหลุดออกจา ก, กจิตใจตรงนี้หมดทั้งยวงไม่เคยเห็นหน้าความทุกขมาเป็นผ่านให้เห็นหน้าอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมีแต่ความสุขล้นลวนแต่ทางกายนี้ก็ต้องใช้กันไปจนถึงมันตาย ถ้าตายแล้วก็คือจบเลยเขาเรียกโมฆะกรรมแต่ว่าพวกคุณกำหนดดูไหมถ้าควบคุมพื้นที่ได้เราก็ยินดีที่จะต่อให้ทันทีนะเราใช้เวลาไม่นานนะ เราใช้เวลาแค่สิบสี่วันทุกสิ่งทุกอย่างถึงสมาธิพบคุณนี่นานมากนะนานมากรวมๆแล้วไม่มีใครมาชี้ขนาดนี้นะเราคน้นคนเดียวที่เอามาพูดกับพวกคุณเนี่ยรวนแล้วแต่เราค้นขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติเองใช้เวลาไม่นานเลย เราความาแบบง่ายๆเลยนะอัปนาสมาธินี่คว้ามาแบบง่ายๆเลยนะาาแบบง่ายๆเล ย, แบบ ย, ย, เลยไม่มีใครมาสอ น, นความรู้สึกเอสตุงสตินี่นะเรามาคนเดียวไม่ไม่ใช้เวลานะน เราทำปุ๊บถูกจุดพับเลยกำหนดจิตกับอารมณ์ไม่นานก็ขาดจากกันเรานี่คิดไม่ได้คิดไม่ได้แค่สองวันเท่านั้นแหละขาดเลยรออยู่วันเดียวจิตมีพลังเต็มที่เข้าสู่ความเป็นสมาธิเลยเ้าว่าจะบวชพรรษาเดียวนะ่ะ ก็มาเจอหนีแหละมันก็รับประกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะว่ามีหรือไม่มีพระทุกคนพระพุทธเจ้าก็ก็รปรับไม่เหมือนกันนะว่า ทุกคนก็ล้วนแล้วจะผ่านศาสนามาทั้งนั้นแหละจะจะผ่านระดับไหนพระศาสนาแต่ละยุคแต่ละพระองค์มันมีอยู่ห้ายุคมันมีอยู่ห้ายุคดีมุตติยุคสมาธิยุคศิลยุคสุตยุคท่านสุตยุคท่านายุค มีอยู่ห้ายุคแต่วิมุตติยุคสมาธิยุคศิลยุคสุตยุคฐานยุคมีให้ผลอยู่แค่สองยุคเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราก็แท้ท้ายของสมาธิยุคแล้วจะหมดแล้วถ้าหมดสมาธิยุคเข้าสู่ศิลยุคตัดสมาธิออกเหลือแต่ศินไม่สําเร็จแล้ว มดศิลอยุข์เอาสุตยุขศึกษาเราเรียนศึกษาเราเรียนพันสุตะไปทานายุก์เหลือทานอย่างเดียวเนี่ยมันลั่นลงไปให้เห็นหเห็นเห็นเห็นเห็นเลยเดี๋ยวจะไปประกาศปฏิบัติทำบัดนั้นบัดนี้โอโ้โดนเขาดา่าศิลอยุขสุตอยุข์านายุขนะ์กัน ไปไปวัดเถอะวัดอะไรของมึงไม่บรรทัดก็มีวัดไหนอีกไม่รู้เรื่องนอะศาสนาเนี่คือมันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นท้ายก็เสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแต่ละครั้งไม่เท่าเก่า เสื่อมลงแต่ละครั้งนี่มากกว่าเก่าจะเลืนขึ้นแต่ละครั้งนี่ไม่เท่าเก่าเสื่อมลงแต่ละครั้งนี้มากกว่าเก่าเพราะฉะนั้นสามยุคสุดท้ายเนี่ยผู้มีปัญญาอยู่ในศีลในธรรมจะนั่งหุบปากชูคออยู่ในสังฆมณฑลอย่างเดียว จะพูดเรื่องทำเรื่องไม่ในขึ้นมานี้โดนพวกอรชีพวกนี้ไล่ตะเพิดตอนน้องหนีไปอยู่ในหุบในเขาในหหลบอยู่ที่ใดที่หนึ่งาภารมาไปเลยอ่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเรา เราก็มาบอกมาพูดมาตักมาเตือนมาชักบจุงนะว่าอย่าให้มันผ่านไปเฉยๆขอให้หยุดใช้สติและลึกถึงคำสอนพระพุทธเจา้าแล้วก็ส่วนที่เป็นธรรมชาติอยู่ตามญ า, ากรรมเนี่ยยกเขาขึ้นมาในระบบแก้ไขคือปฏิบัติธรรม ถ้าไม่ได้เข้าสู่ระบบนี้ความเป็นชีวิตของเราก็อยู่อยู่ในเป็นปกติธรรมด า, าศาสนาก็เจอแต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรจากความเป็นาศาสนาเลยพอที่จะคล้องใจอันนี้ออกไปอย่างน้นอยๆในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เจอาศาสนาแบบเต็มรูปแบบ น่าจะให้มาลัยคล้องใจของตัวเองในฐานะโซดาหรืสติชาคาอนาคาไปก่อนออกไปโซดาสิบมิลนะคะที่เคยเห็นคุณบอกว่าการนั่งสมาธินะสามารถตักนี่เวนนี่ตักได้อันนี้เราจะไปตักมันได้บ้างไหมที่ถูกมาก่ะ ถ้าที่สุดแห่งกิ่ใจมันตัดได้ทั้งโลกธาตุนี่แหละไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าไม่เข้าถึงความเป็นละกิเลสเนี่ยตัดกั้มไม่ได้หรอกอำนาจของความบริสุทธิ์ใจนี่แหละอำนาจของความมีสมาธินี่แหละเราบอกแล้วว่าระบบที่เราสอนอยู่นี่สอนหนี กรรมโดยตรงเนี่ยนี่นะสอนนี่โดยตรงถ้ามีอำนาจของสินสมาธิปัญญานี้เดินต่อหน้า ต, ต่อตาของกรรมนี่ออกไปเลยแหกสนามกรรมอพูดให้สะใจแหกสนามกรรมแหกสนามของวัฏตะออกไปอย่างเท่เลยถึงตะเข็บต่อก็ก้าว ขึ้นสู่สะพานของพระนิาพานทันทีเชื่อคำสอนเถอะเชื่อคำสอนอย่าพากันอวดดีอย่าพากันอย่าพากันถือดีทำดีแล้วอาจารย์บุญจันทร์พิเทศไว้นนะ ทำดียึดดีถือดีอวดดีผิดหมดจันบุญจันเทวไวนะ้น่ะทำดียึดดีถือดีอวดดีผิดหมดนละปฏิบัติบางช่วงบางอย่างก็เหมือนคนผีบ้านะแต่ก็ยอมเพื่อที่จะเป็นคนดีโดยสมบูรณ จริงๆตองตงไปอะ่ะแล้วเราเอาของดีๆมาให้พวกคุณทังนั้นอนะ่ะจะทำยังไงแต่พวกคุณไม่สมเราตั้งใจเลยนะเราให้พอนบอก อการนะครับถวายปัจจัยสมททกที่งานผูกพัะตธธรีมาปิดทองลูกไมมิตรนะครับยาดโยยมได้ร่วมกันมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทจะรับอยู่บ่พอเอาเงินคืนแล้วเอาเงินคืนแล้วเชิญพวกคุณไปถึงที่ไม่ดีเหรอ โอ้ไม่มาแล้เดือนกุมภายินดีนะยินดีทุกท่านไ้ร่วมบุญกันแล้วมีอะไรอีกอรัยไหมบุญกุศลอันใดเนาะที่พวกเราได้ นึกได้คิดได้ทำํำขอให้บุญกุศลอันนั้นเป็นภาระบัดั จ, จด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงตลอดไปถึงตัวยเทพเจ้าเราอภิสมาณกาย ซึ่งสิงสถิตยอยู่ในนัสถานพิมานมาจงช่วยวางอำนาจปกครองป้องกันท่านทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญกุศลมีทานสินพระประนาธนบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปสิ้นกาลนา น, านสมดังปณิธานความปรารถนาทุกประการตลอดที่ใหม่ที่จะถึงนี้มีความสุขความจเจริญ ทุกท่านทุกคนยะถามบาริมหาปุราบริปูเรนติสาขะอรังเอบะเมบะอิโตทินังเตตานังอุปปักปะปิ อิทิ์ดังปัติดังตูมหังขิปเมวัสมิจตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยถามณิโชติระโสยถา สเปติโยมิวัจันตุสัพโรมินัสสตุมติภวัตบรรยสุขีติุโยภวะอภิวาทนะสิริสติจังบุตธาปจายโนจตารโธมรวันติอายุบโนสุขังเระ ครับนวัตการพ่อแม่ครัจาจย์ท่านพระอาจารย์ชายแดนศิลัสุธโธ <c oughs> ในนามชมพุนช ม, มพุทธเทวทีและญาติธรรมทั้งหลายขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์อย่างสุดซึ้งที่เมตตามาในวันนี้แล้วก็ให้เริ่มกันปฏิบัติธรรมแล ะ, ะทำบุญเนือวันนี้นะครับขอให้เราทุกท่านได้สาธุการดังๆสามครั้งกับ บ, บุญกุศลในวันนี้ครับสาธุสา ธรมมาธรรมพุทโธพระขวาพุทธังพคะวันตังอาภีวะเทมิสวัสดโตกพระขวตาธรมโมธรรม a มาซามิ สุปาติปันโนภาควาโตสาวกัสังโตสังฆา